กรินพรนท่านผู้ชมพุทธบรยสัตว์ผู้มีจิศตศรทัทธาไปทำทุกๆ ท, ท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาสนทนาถามตอบคำถามเรื่องของการปฏิบัติทานศีลภาวนาใครที่มีความสนใจอยากจะเข้ามาถามก็เชิญเข้ามาได้ เราจะเริ่มกับพวกเด็กๆ ก, ก่อนเพื่อจะได้ไม่ต้องอยู่เด็กเกินไปคนแรกก็เช่นเคยคุณนคุณจากโตเกียวกล่าวพระอาจารย์เจ้าค่ะค่ะนคุณยังโซนอยู่ไหมยังโซนเหมือนเดิมไหมยังซนยังซ น, ยงนอยู่นะอ่าอะ ยังสนอยู่เลยค่ะพระอาจารย์ตอนนีน้ห้ามก็ไม่ได้ละเป็นสันดา <c oughs> นของข้าพระอาจารย์ก็คอยสอนไปคอยห้ามไปค่ะไปเที่ยวชิลันอกจากเหนื่อยขาแล้วยังเจ็บคอนพระอาจารย์ <c oughs> ห้ามตลอดเลยค <c oughs> ่ะไปปไ ค่ะพระอาจารย์ช่วงนี้ก็นําคําสอนพระอาจารย์มาใช้ยอมหยุดเย็นนี้ตลอดทั้งทั้งอาทิตย์เลยค่ะพระอาจารย์ดีที่ดีที่สุดเนี่ยค่ะพระอาจารย์ตอนแรกบอกคือไม่ไม่ไม่สู้หลบไม่อะไรหรอกค่ะใช่กันเอารแม่ชนะยังไงใช่แม่สงครามฆ่ากันเป็นตายกันเป็นเบือก็ไม่ยอมกัน ค่ะพระอาจารย์ไม่ไม่มีคำถามค่ะระอโอเคค่ะ <Okay. S 2> ขอให้พระอาจารย์พแข็งแรงนะเจ้าคะ่ะอ่าสาธุาไปที่ตะวันแต่คอแรแลนเด็กชายตะวันเป็นยังไงครับครับมีอะไรไหมครับวันนี้วันนี้ไม่มีคำถามครับแค่รายงานอย่างเดียว เอมีอะไรบ้างวะ <c oughs> เอ่อทองที่ทำสมาติมันก็มีคันมากเลยเอ่อพระอาจารย์ดูไม่ล้วมันถ้ามันมีคนันเอ่อตัวเอนก็จะต้องทำอะไรครับก็ไม่ต้องไปสนใจมันปล่อยมันคันไปแล้วก็พูดโธพูโทโธไปทำหน้า ม, มันอยู่กับพุโทโธพุโทโธไม่ต้องสนใจเวลาเราเล่นเกมมันไม่คันก็ ฮนะทำามจ้องมาคันตามที่นั่งสมาธิอย่างเดียวนะเออมันก็มีลาภถาตัวเองต้องนั่งนิ่งก็อืนนมงั้นมันเป็นกิเลสมันหลอกเราไม่ต้องไปสนใจมันปล่อยมันคันไปเราก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปสนใจเดี๋ยวมันก็หายคันเองเราดูนะดีครับอ่า เวลาทำอะไรที่เราชอบมันไม่คันเนี่ยเราต้องมาทำอะไรที่เราไม่ชอบมันจะเริ่มคันขึ้นมาใช่ไหมเขาเราวกิเลสกิเลสนั้นเร า, าสร้างอุปสรรคให้เราได้ทำในสิ่งที่ดีแต่ที่กิเลสไม่ชอบกิเลสไม่ชอบมันก็ไม่อยากให้เราทำเราจยาไปสนใจเรา เราชื่อพระพุทธเจ้าเราอยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่าพุโทโธก็จะชนะเองเดี๋ยวความคันก็จะหายไปนะสวนมนต์ทุกวันหรือเปล่าสวดมนต์ครับปีนาทีเอ่อสวดมนต์แชนาทีส่งคิดวเมนต์นาที้เย็นค่ะแล้วนั่งสมาธิต่ายปีนาที เออสิบห้านาทีในเช้าแล้วในช่ชงไรตอนเย็นตอนเย้นรวมกันสิบห้านาทีแล้วนั่งสมาธิสิบห้านาทีส่วนมนเจ็ดนาทีค่ะส่วนมนเจ็แล้วก็นั่งสมาธิสิบ้าประมาณนี้คเลยชี้ชีนาทีรัมาณม<ะ>่สิบนาทีครั้งละยสิบนาทีค่ะส่วนมนประมาณห้าแล้วก็ทำสมาธิสิบห้าแต่ชีชบชีนาทีก็จำต้องหมดวันหนึ่งก็ประมาณสี่สิบนาทีค่ะอาจารย์ เวลานั่งสมาธิทำอะไรพุโทโธแล้วดูลมแล้วทำอะไรเออพุโทโธครับพุโทโธนะพุโทโธไปได้ไหมถึงสิบห้านาที อ, อมันได้อยู่ครับได้อยู่นะแล้วรู้สึกยางไรเออก็ดีก็ดีดดนะดีกว่าเล่นเกมไหมใช่ดีกว่าครับดีกว่านะ อ, อ ต้องดีกว่านี่โอเคไม่มีเะไรจะถามอีกแอ้วโยมมีคำถามค่ะพระอาจารย์ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะพระอาจารย์อ่าเชิญมาเลยคือ คื อ, อสัปดาห์ที่พระอาจารย์ให้ธรรมะโยมมาอะค่ะแล้วก็โยมกลับไปคิดแต่ว่ายังไม่เข้าใจของแท้นะคะพระอาจารย์คือโยมเล่าให้พระอาจารย์ฟังว่าเวลาที่โยมไปข้างนอกบ้านอย่างเนี้ยค่ะแล้วโยมก็คือมันรู้ตัวว่ามันเกิดความไม่พอใจขึ้นนะคะเวลาสิ่งที่มากระทบในเรื่องของคนอื่นแบบนี้นะค่ะพระอาจารย์กิริยาที่เขาทําคําพูดแบบเนี้ค่ะคือตอนนั้นเหมือนจะไม่โกรธ แต่ว่าพอกลับมาบ้านเนี่ยเวลาทาสมาธิเดินจงกรมบางทีมันแบบเข้ามาในหัวค่ะโยมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะว่ายมคิดว่ามันจะต้องมีความไม่พอใจที่มันข้างอยู่ในใจอย่างเงี้ยโยมก็เลยกลัวค่ะพระอาจารย์ว่ามันจะเกิดเป็นความอคติพยาบาทขึ้ น, นะคะ่ะก็เลยพยายามหาอุบายวิธีที่จะให้อภัยเขาอะค่ะพระอาจารย์ แต่เหตุการณ์แต่ละอย่างเนี่ยโยมต้องใช้อุบายต่างกันนะคะพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์ก็เมตตาบอกว่าเป็นเพราะปัญญาของโยมยังไม่รอบแบบนี้นะคะ่ะพระอาจารย์ยังไม่ครอบคุมทุกเหตุการณ์อันนี้คือโยมไม่เข้าใจนะคะพระอาจารย์เรอาอไม่เห็นว่าสิ่งทุกอย่างที่เราไปสัมผัสเราดูเป็นอนัตตาเป็นธรรมชาติเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปตามเหตุตามปัจจัยเหมือนดินฟ้าอากาศเนี่ยมันเป็นธรรมชาติ ไม่เหตุทำให้ฝนตกมันก็ตกไม่เหตุทาให้แดดออกมันก็ออกคนก็เหมือนกันสัตว์ทก็เหมือนกันต้นไม้บหญ้าทุกอย่างมันก็เป็นเรื่องของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เขาเป็นอยู่ของเขาอย่างนั้นแหละนี่เรามันเป็นคนจูจ้จี้จุกจิกเขานะชอบไปยุ่งของเขาชาขอบไปจัดการเขา แค่นั้นเองอย่าไปยุ่งกับเขาเดี่ยให้รู้เฉยๆรู้ว่าเราไปห้ามเขาไม่ได้ทําอะไรเขาไม่ได้เราไม่ต้องไปรักไปชังเขาหรอกรักก็ผิดชังก็ผิดกลัวก็ผิดหลงก็ผิดอือต้เฉย ๆ, ๆสักแต่ว่ารู้ไปอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตอนเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากก็ทุกข์ใจขึ้นมา นะคือปัญญาที่เราครอบพิสุดก็คือถ้ามองเห็นทุกอย่างว่าเป็นอนัตตาสัพเพตมาอนัตตาจะพาว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเราไปจัด ก, การกับเขาไม่ได้อาจจะทําได้บางครัง้งบางเวลาบางส่วนได้แต่โดยส่วนใหญ่แนละ้วเขาก็ต้องเป็นไปตามเรื่องของเขา เราไปอยากจะประหยัด ก, การเขาเวลาจัด ก, การเขาไม่ได้ก็ทุกข์กขึ้นมาโกรธขึ้นมาอืานใจไหมค่ะไม่อยากไปอยา ก, อ ย, ากอย่าไปหวังอะไรจากใครยินดีตามมีตามเกิดเขามาอย่างไรเขาเป็นทําอย่างไรก็ก็รับไปรับรู้ไป ถ้าคิดว่บางอย่างพอพูดคุยกันได้ก็พูดไปพูดไม่ได้กันมาต้องพูดไปนําองคุยกันค่ะอาจารย์ทีนี้ว่าเหมือนณนะตอนนั้นเนี่ยเหมือนโยมจะ เ, มเหมือนจะไม่คิดอะไรเออช่างเขาเถิบอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่พอกลับมาบ้านปุ๊บมันมันนึกย้อนมาแล้วรู้สึกไม่พอใจขึ้นมาแบบนี้ยแสดงว่าตอนณตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ให้อภัยเขาจริงๆใช่ไหมคะอาจารย์ ก็ยังยังไม่ได้เห็นว่าเขาเป็นสิ่งที่เราไปทําอะไรเขาไม่ได้ค่ะไม่ต้องไปให้อภัยแล้วไม่ให้อภยัยต้องรู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้เหมือนฝนมันตกเนี่ยจะไปให้ฝนมันไม่ตกได้ไงมันจะตกก็ปล่อมันตกไปนั่นเองไม่ต้องไปให้อภยัยไม่ต้องไปอะไรไม่ต้องไปโกรธเขาต้องยอมรับความจริงใช่ไหมคะ่ะอ ย, ยอมรับจริงว่าเขาเป็นอย่างนี้และ เหมือนจะง่ายแต่ยากจร<ๆ><ๆ>ิงๆก็เป็นส้มอยากจะให้เขาเป็นทรัพยะรดเนี่ยเป็นไปไม่ได้ค่ะพระเจ้าเลี่ยบอกเห็นอะไรสักจะว่าเห็นแล้ว น, นี่ไม่ต้องไปมีอะไรกับเขาเห็นให้เห็นรับรู้ไปเหมือนกล้องถ่ายรูปเนี่ยกล้องมันถ่ายรูปอะไรมันดิมันมีรักมีช้างมีกลัวมีหลงมันก็ถ่ายที่กล้องไปที่ไหนถ่ายมันก็ถ่ายหมดนะถ่ายตั้งค้าถ่าย พื้นดินถ่ายอะไรมันถ่ายหมดมันไม่มันไม่มันไม่มีที่เลือกที่ลากมักที่เฉากามันถ่ายนะมันถ่ายมันถ่ายมาให้เราหมดตาเราก็ต้องเป็นเหมือนกล้องถ่ายรูปถ่ายไปรับรู้อะไรเห็นอะไรก็เห็นไปเห็นแล้วก็จบอย่าไปต่อความยาวสาวความยื่นเรามักจะไี้วิพากษ์วิจารพออะไรแล้วปับต้องวิพากษ์วิจารเอ้ยดีนะไม่ดีนะ ควรนะไม่ควรนะอะไรมันไม่ใช่เรื่องของเราแต่เราเราชอบมกิเลสชอบไปวิพากษ์วิจารอะไรต่างๆแล้วก็ไปวุ่นวายไปกับเขาแล้วก็ดูเหมือนว่าตอนเมื่อก่อนโยมยังไม่ได้รักษาสิ่งห้าไม่ได้เจริญภาวนาแบบเนี้ยก็รู้สึกเหมือนไม่ค่อยคิดอะไรกคนอื่นมากมาแต่พอมาปฏิบัติปุ๊บรู้สึกเหมือนจะไปตำหนิเขามากขึ้นแบบ น, นี้ค่ะพระอาจารย์ อ่มันก็เคยเป็นมาเล่าเคยแต่เราไม่ได้สังเกตเหมือนตอนนี้ตอนนี้เราดูใจเรามากกว่าเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนนี้เราดูแต่คนอื่นว่าเขาไปโดยที่เราไม่ได้รู้ว่าเราว่ า, าอะไค่ะค่ะเตี๋วนี้เรามาฝึกเรามีสติสติมันจะดึงกลับเข้ามาดูตัวเรามากขึ้นไเรื่อยๆเราจะได้รู้ว่าเราผิดตรงไหนเราเราจะได้มาแก้ไขตัวเราไม่ใช่ไปไปยุ่งกับคนอื่นอืม ยิ่งมีสติมากจิตยิ่งเข้ามากลับเข้ามาบีบตู้ที่ตัวมันเองมากขึ้นเรื่อยๆนั่นมันก็จะมาแก้ปัญหาที่มีจิตก็คือ ค, อความรักชังกลัวหลงสามตัวสี่ตัวนี้ท่านตอนก็ฝึกสตินั่งสมาธิเอามันสงบมันหยุดป้มรักชังกลัวหลงก็หยุดชั่วข่าวไปหายไปใจก็สรกแต่ว่ารู้ เบิกขาไม่มีอารมณ์กับอะไรไม่มีการวิพากษ์วิจารอะไรเส้นรู้เฉยๆพอออกมาจากสมาธิมันก็กลับมาเหมือนเดิมก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าให้ทาตัวเหมือนตอนที่อยู่ในสมาธิเฉยเฉยดีที่สุดเฉยแล้วเย็นสบายไม่ร้อนไม่วุ่นวายใจถ้าไม่เฉยแล้วร้อนพอไปวิพากษ์วิจารเขก็ ถูกผิดดีช่วขึไไ้นมาไปแล้วรักชังกลัวลงปรากฏขึ้นมาตอนใจมันตอนใจที่มีสมาธิมันไม่ไปยุ่งกับคนนั้นคนนี้อันนี้คือมันมีความสุขมากเลยค่ะพระษารได้พอมันหยุดเนี่ย <c oughs> ตอนพยายามฝึกสตินั่งสมาธิบ่อยๆทํ <c oughs> าไปมันก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะวุ่นวายกับใครไม่ค่อยยุ่งกับใคร แต่รับรู้ทุกอย่างแต่ไม่ใช่เป็นคนแบบซื่อบื้ออะไรไม่ใช่รู้แต่เพียงแต่ว่าไม่ไม่เห็นว่าจะมีจำจเป็นจะต้องไปยุ่งอะไรกัใครเขาใครเขาจะเป็นอะไรก็เป็นไปนอกจากเรามีหน้าที่มีความเป็นการงานเกี่ยวข้องกับอะไรที่้องที่เราจะต้องทำํำเราก็ทําไปด้วยเหตุด้วยผลในอย่างอื่นถ้าไม่จําเป็นก็ผ่านไป ก็คําคสอนอาจารย์ตรงที่ว่าถ้าเราไม่ไปโกรธคนอื่นเนี่ยก็ไม่ต้องจะก็ไม่จําเป็นจะต้องไปหาวิธีให้อาภัยเขาแบบนี้ค่ะพระอาจารย์อันนี้คือมันต้นเหตุเลยใช่ไหมคะคือถ้ามันโกรธ้วมันถ้ายังถ้ายังโกรธอยู่ก็ให้อาภัยมันก็จะหายโกรธได้แต่ถ้าไม่โกรธเลยจะดีกว่าทําไม่โกรธก็ต้องมองเห็นข้อเป็นอนัตตาค่ะนนไม่เป็น<ด>ต้องการไม่ต้องไปต้องการอะไรจากใครไม่ต้องการอะไรจากคใครทั้งหมด เขาจะดีก็รับได้เขาจะชั่วก็รับได้คือเขาเป็นสัปเหกละก็ได้เป็นเป็นซ้อมก็ได้เป็นมาละคอก็ได้เป็นอะไรก็ได้เราอย่าไปชี้จี้จุกจิกจัดสรรให้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์ตัวใครตัวมันผลไม้ราเป็นคนผลไม้หลากหลายชนิดด้วยกัน มามาอยู่ร่วมกันบางทีร่วมร่วมกันแล้วก็อยากจะให้ทุกทุกคนเป็นเหมือนกันหมดปไปไม่ได้ใช่โยมก็คิดว่าโยมไปยุ่งกับสบัดของใจคนอื่นมากเกินไปค่ะต้องกลับมาที่ดูที่ใจของโยมมากกว่าให้รักษาใจให้มันให้มันสงบไม่มวุ่นวายแบบนี้ใช่ไหมคะพระอาจารย์นาาี่คือที่โยม อ, อการปฏิบัตินี้ก็เพื่อเรื่งใจได้ออกจากรูปเสียงกลิ่นรสให้เข้ามาข้างใน รู้สงกกลิ่าร้นมันเป็นไฟทำให้ใจร้อนเวลาเห็นแล้วมันจะร้อนขึ้นมาร้อนด้วยความรักด้วยความชังด้วยความกลัวด้วยความหลงอาจารย์อจารนะค่ะดียมจะกลับไปคิดพิจารณาอีกรอบหนะะึงค่ะอาจารย์โอเคค่ะอะเปเทมานัตาเราไปท่องคาถาให้ดูนั่น ข, รขร พ, พระอาจารย์กลับขอบพระคุณพระอาจารย์ท่านต่อไปก็คือจะมาจัดจ้าที่เราน<ม>้องสกังพระอาจารย์ครับว่าอย่างไงรวันนี้มาส่งกันว่านครับ เ, เช่นมีอะไรบ้างรเรามีความแก่เป็นธรรมดา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 มีการเป็นผู้ติดตาม ม, ามีการเป็นที่พษษึ่งอาศัยเราทำกรรมนไดไว้เป็นบุตหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของการนางา น, นสุดไปเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดร่างกายของเรามีอะไรบ้างมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแย่กระดูก น้าหัวใจตับของผื่นไตปอดเส้ใหญ่เส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ายืดในสมองศีรษะน้ำนี้น้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลื่อนน้ำเหนือน้ำมันข้นน้ำตาน้ำเป็นเหลวน้ำลายน้ำมูนน้ำไขข้อน้ำมูนน้ำมูนน้ำไข้ข้นน้ำมูนน้ำตาหน้ำเป็นเหลวน้ำตาหน้ำข้นน้ำเหนือน้ำเลืนน้ำเหลือง้ำเสกน้ำดียื่ในสมองศีรษะ อาหารเก่าอาหารใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่ปอดเตยผังผืดกับหัวใจม้าเยื่อกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังปลาลันได้ผลเห็นไหมเวลาเห็นใครเห็นอาการเหล่านี้ไหมเห็นครับเห็นเลยแต่ยังชอบเขายุ่งอ่ะค่ะไม่น่าชอบนะไม่น่าชอบนะโอเค มีอะไรจะถามหมไม่มีค่ะครับก น, นั่งสมาธิอยู่ทเกินคืนไม่ทุกคืนค่ะเพราะว่ากันบ้านเยอะค่ะเอีตอนนี้ปิดแถวไม่ใช่ไื่เปิดแถวอะอาทิตย์หน้าปิดครับอ๋อยังไม่ปิดนะครับถ้าพยายามอย่าทิ้งน้การนั่งสมาธิการสอนวันนี้นครับ เป็นธรรมะโอสถสังญารกินยากินวิตามินให้กับใจใจจะได้แข็งแรงมีพลังสู้กับกิเลกตัญหาได้สู้กับความโลภความโกรธถ้าไม่มีไม่มีธรรมะโอสถนั้นมันจะสู้ไม่ไหวหโอเคมีอะไรคุณหน้ามีอะไรไห ม, ห ม, อไไหมของหนูตอนเนี้ย เหมือนขึ้นขึ้ น, นกนๆงๆผว่าจารย์คือให้กลับไปดูหนังฟังเพลงมันก็ทำไม่ได้แต่ให้นั่งสมาธิมันก็ไม่สงบประารมันเหมือนแบบแต่พอไม่นั่งมันก็รู้สึกผิดนะคะก็เลยต้องใช้วิธีฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมแล้วก็อ่านหนังสือธรร ม, มะค่ะไม่เจริญสติในในระหว่างวัน<ะ>ช่วงตั้งแต่ตื่นขึ้นมานี่ควรจะฝึกสติไป เงินตาขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปแล้วดูว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ให้ฝ<ม>ึกสติให้ามากๆแล้วมันจะมีกําลังแต่ น, นั่งสมาธิมรู้สึกจะไม่ยากรู้สึกไม่ไม่ลําบาก<ม>แต่ถ้าไม่มีสติแล้วมันรู้สึกรา่างยากลำบากเหมืนเข็นข้อขึ้นภูเขาเพราะฉะน้นเพยายามฝึกสติถ้าอยากจะนั่งสมาธิได้อย่างง่ายอย่างสบายมันต้องพยายามพยานฝึกสติ ใช้พุทโธก็ได้ใช้การดูง่างกายก็ได้ว่าเรากำลังทำอะไรนะนะต้องพยายามถ้านะไม่พยายามก็ไปไม่รอดนะความพยายามอยูไหนความสำเร็จอยู่ที่นัลนดดทนจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรนะนะเพียรเจริญสติเป็นข้อแรก มื่มีสติแล้วก็นั่งสมาธิให้ได้อุเบกขาเมื่อมีอุเบกขาแล้วก็สามารถเอาปัญญามาสอนใจให้สู้กิเลสได้โอเคนะมีอะไรไหมั้่มีนะ้วค่ะขอบคุณค่ะพระอาจารย์ครับอ่าในที่คุณหมอพี่เชนเจนคุณหมอ ขอรัมสัส ก, การพระอาจารย์ครับขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายละติดสุขในฌานครับพระอาจารย์ก็คือเราเราฝึกสมาธิเข้าฌานนี้เพื่อเราจะได้มีความสุขแล้วเราจะได้เอาความสุขนี้เป็นก้อนเป็นเครื่องทดแทนความสุขที่เราเคยได้จากรูปสี่เกณฑ์เราตารที่เราจะละกามาตัญหาความ ความอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสนี่เราก็ต้องมีความสุขอีกแบบหนึ่งคือความสุขที่เกิดจากการเข้าฌานเข้าสมาธิบรงต้นถ้าไม่มีความสุขเราก็ยังต้องไปอาศานรูปเสียงกลิ่นรสเป็นสิ่งที่ให้ความสุขอยู่เราก็จะละความอยากในการอยากจะเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสไม่ได้เราก็ยังจะต้องติด เราก็ต้องกลับมาเกิดาจากเจ็บตายเพื่อมาเสพรูปเสียงกลิ่นรสเพราะเราต้องมีตาหจูจมูกนิ้วกายถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเสพการเสพเกิดในกามมาพบอีกเราก็ต้องเอหยุดความอยากในการเสพรูปเสียงกลิ่นรสไปเสพสมาธิแทนเสพรูปประชานะรูปประชานแทนทีนี้พอเราละความอยากเสพ รูปเสียงกินลนได้แล้วก็ไปติดความอยากจะเสวรูปประชานกับอารูปประชานซึ่งความอยากอนี้ก็จะพาเราไปติดอยู่กับลมประโลกรูปอรูปภพหรืออารูปภพถ้าติดกับรูปประชานก็จะไปเกิดในรูปภพเป็นรูปประพมถ้าติดในอารมูปประชานก็จะไปเกิดในในอารูปภพเป็นอารูปประพม แล้วถ้าเวลาเสริมจากจะพรมพอกำลังฌานหมดมันก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาเพื่อมาเจริญสมาธิใหม่เป็นนักบวชใหม่พวกนี้จะกลับมาเกิดเป็นนักบวชกันจะไม่สนใจเรื่องไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาองจมูกเสี้งนกายก็จะมาบวชกันมาเข้าฌานยตายไปก็จะกลับไปอยู่พรทธม รูปภพหรือกูปภก็ยังต้องติดกับการเป็นว่ายตายเกิดอยู่งั้นถ้าอยากจะออกจากการเป็นว่ายตายเกิดอย่างสิ้นเชิงก็ต้องละความอยากที่จะเสบรูปสเสียงและเสบรูปประชานไ ม, ม่ว่ารูปประชาต้องเห็นว่าการเสบรูปประชานรูปประชานหนึ่งทำให้เราต้องติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเป็นว่ายตายเกิดถ้าอยากจะออกจากตายภพ เัาละการมาพบได้แลนะ้วเราก็ต้องมาละลรูปะพบเรื่องระพบต่อด้วยการไม่ไม่ไม่อยากเสพมื้อประชานจิตไม่ต้องเข้าชาญแล้วพยายมสู้กับความอยากพิ็จารณาด้วยปัญญาเราความอยากเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เราอหมดเหงิ่อําคาญใจเราอยากจะให้มันสงบด้วยการเข้าสมาธิพอเราไปเข้าสมาธิ ความสงบก็เกิดขึ้นแต่คาวามอยากมันไม่ได้หมดไปเพราะเราทําตามคาวามอยากถ้าเราต้องการไม่ให้ความอยากมันมีต่อไปเราต้องฝืนมันทุกครั้งที่มันอยากอยากจะเข้าสมาธิก็ไม่เข้าอยู่อยู่ข้างนอกเฉยๆใช้สติคอยควบคุมอย่าให้ไปทําตามคาวามอยากอยาก่าไปเข้าสมาธิอยา่าไปยึดครึสมาธิ จนกระทั่เราสามารถยืนได้โดยที่เราเราสามารถอยู่ได้โ ด, ดยไม่ต้องเข้าสมาธิพ อ, อเราหยุดความอยากเข้าสมาธิได้เราก็จะได้ความสงบอีกแบบหนึ่งความสงบแบบความสงบที่เกิดจากการไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความสงบของพานิพานไปเรียเป็นความสงบแบบท้าววนเพราะไม่มีอะไรมาจะมาทําลายความสงบ แบบนี้ได้เพราะไม่มีสิ่งนี้ทำลายความสงบก็คือตัณหาความอยากมันถูกทําลายไปหมดด้วยปัญญาอันนี้ก็ลงละแต่ตอนต้นต้องอาศัยต้องต้องต้องใช้มันเป็นเครื่องมือเอเป็นอาวุธที่จะมาฆ่ากามตัณหาก่อนอาศัย ส, สมาธิอาศัยปัญญาปัญญาก็จะสอนว่ากามกามคูนห้เป็นทุกข์เพราะมไม่เที่ยง พ่เราควบคุมบังคับมันไม่ได้ทําให้มันเที่ยงไม่ได้ถ้าไปติดมันแล้วก็จะต้องทุกข์ก็เลิกมันด้วยปัญญาโดยอาศัยใจที่มีอุเบกขาจากสมาธินี้สามารถอยู่เฉยๆโดยที่ไม่ต้องเสียงดูเสียงเกิดบันไดพอร่างกามัตันหาได้แล้วทีนี้เราก็มาติดเครื่องเครื่องมือเครื่องมือเราก็ต้องลมอย่าไปใช้มัน ก็แบบเดียวกันก็มองสมาธิเหมือนเหมือนเป็นไตาลักษมือนกันเป็นนั้นอันนี้จังไม่เที่ยงถ้าเราไปอยากให้ใจสงบเวลามันไม่สงบมันก็จะทําให้เราทุกข์เราหยุดความอยากให้มันสงบอมันอยากให้อยากให้มันสงบก็ไม่ต้องไม่ต้องสงบอยู่กับมันไปมันไม่สงบก็อยู่กับมันไปแต่พอเราละความอยากได้เนื้อ ตัวความอยากที่ทําให้มันไม่สงบเนี่ยมันก็จะหายไปพอ ต, ตัวความอยากหายไปใจมันก็สงบของมันเองโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรอันนั้นเป็นความสงบแบบทาววอไม่ใช่ความสงบแบบสมาธิความสงบที่เกิดจากการากําจัดความอยากที่เหนื่อยในใจให้หมดสิ้นไปไน้ สมาที่ปัญญานี้ก็เป็นเหมือนยาหรือเป็นเครื่องมือรักษาโรคภายแค่เจ็บอหมอผ่าตัดคนไข้เสร็จแล้วหมอก็ไม่เอาเครื่องมือผ่าตัดไว้ในร่างกายของคนไขนะ้ก็เอาออกไม่ทิ้งไว้ในร่างกายเพราะว่ามันไม่จําเป็นจะต้องใช้มันนะการปฏิบัติสิ่สมาธิก็สิ้นสุดลงเมื่อเราสามารถหยุดความอยากทั้งสามได้กายม า, ารฐานะเพราว่าฐานะนี้เราะว่าฐานะไมได้หมด ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาอีกต่อไปแต่ก็ใช้สติใช้สมาธิปัญญาในการลำลงชีวิตอยู่ไปตามปกติจนกรั่งร่างกายมันจะสิ้นสุดลงก็หมดภาระหน้าที่ไปแต่ไม่ต้องใช้สติสมาธิปัญญามาหลอนดับกิเลสไม่มีกิเลสให้ดับนะ ใจไม่ใจไม่วุ่นวายแล้วใจสงบตลอดเลลวละมีก็เหมือนไม่มีเข้าใจอย่างไครับอร์เข้าขใจมากขึ้นเลยครับอาจารย์กล่าวคบว่าคุณอย่างสูงครับอาจารย์โอเคนี้ก่อนน ะ, นนะครับอาจารย์หมดแล้วครับที่คุณทิติมาต่อกอตมอทิติมา กลับมาวัฒนการกับพระอาจารย์วันนี้เข้ามาตั้งใจรับฟังธรรมค่ะหนูถือศีลแปทุกวันแล้วก็นั่งสมาธิทุกวันเหมือนเดิมค่ะมีมากสาธุค่ะพระอจ<ม>าจารย์หน้าแข็งแรงนะคะอไปที่คนสาธารการใชนน่ไหมมาฟังธรรมค่ะพระอาจารย์ไม่มีคําถามค่ะาสาธุไปที่คนฝนหายไ ป, ไปนะฟังธรรมอาทิตเ์หนึ่น ค่ะสมาชิกันค่ะพระอาจารย์ค่ะก็ถ่ายพิสูจนสมัคคีใช่ค่ะเพราะว่าลูกชายก็ยังเปิดเทอมอะค่ะก็เลยยุ่งวุ่นวายหลายเรื่องเหมือนกันนะคะพระอาจารย์แต่ว่าก็ยังคงน้อมนําสิ่งที่พระอาจารย์สอนไปใช้ค่ะที่เหมือนที่เล่าให้พระอาจารย์ฟังล่าสุดว่าเหมือนหนูเป็นคนที่เป็นแบบเหมือนคล้ายๆเป็น perfectionist นะคะแล้วพระอาจารย์บอกว่าแทนที่จะเปลี่ยนจาก perfectionist กับคนอื่นให้เปลี่ยนมาเป็นที่ใจเราให้เป็น perfectionist แทนนะคะก็ ปรับมาใช้วิธีการที่พระอาจารย์สอนก็ได้ผลดีขึ้นเยอะค่ะก็ความแบบหงุดหงิดอะไรก็น้อยลงไปเยอะเลยอะค่ะแล้วก็เดินไปไหนก็รู้สึกว่ามินโพสิทีฟมีแต่วความสุขอะค่ะพระอาจารย์เป็นแบบนั้นนะคะน่ไม่ไปไ ป, ไปยุ่งเกี่ยวคนอื่นนะไม่ไปก็ <G> ปัญหาที่มีเข้ามาเรื่องคนเรื่องอะไรที่รู้สึกไม่สบายใจอะคะ่ะ ก, ก็เฉยๆอะคะ่ะเหมือนอ า, อาจจะส่วนหนึ่งปัญห า, า จ, จะคลี่คลายไปแล้วด้วยแล้วก็สิ่งที่ตั้งใจจะทำอภัยทานให้กับเขาก็คิดว่า คิดว่าก็ทําได้พอสมควรแล้วค่ะหมายถึงว่าไม่ได้ไม่ได้มีความรู้สึกโกรธแค้นโกรธเกลียดหรือว่าอะไรเพราะรู้สึกว่าถ้าเรื่องทุกอย่างจบแล้วก็คือจบไม่ได้คิดอะไรค่ะสามารถที่จะพบเจอพูดคุยได้ปกติแบบไม่ไม่ได้คิดอะไรอค่ะพระอาจารย์แล้วก็ทุกก็เดี๋ยวนี้ตั้งแต่ปฏิบัติธรรมมาค่ะคือแต่หลังๆก็อาจจะนั่งสมาธิน้อยลงด้วยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ละทิ้งหนทางแห่งธรรมค่ะ ทุกมันไม่ค่อยไม่ค่อยรู้สึกอะไรอะค่ะหมายถึงว่าไม่ได้คิดมากเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็นอนหลับสนิทดีอะค่ะพระอาจารย์ไม่ได้เอาเรื่องเก็บเรื่องนู้นเรื่องนี้มาคิดมีอะไรเข้ามากระทบก็เหมือนรู้เร็วแล้วก็ปล่อยวางได้เร็วขึ้นนะค่ะพระาอาจารย์อ๋อเดยแล้วปฏิบัตนี้ทําให้ใจสงบเย็นสบาย <c oughs> คือใจมันสงบมากค่ะเหมือนคือแต่หลังๆก็ยอมแล้ ว, ว่าช่วงสองสามสองบางทีนี้ก็ไม่ได้นั่งสมาธิค่ะแต่ว่าก็มีสวดมนต์บ้างค่ะอาจจะเหลือนั่งอาทิตย์ละครั้งแล้วก็เป็นอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าช่วงที่ฟิตจัดนะค่ะก็จะแบบเออถือศีลแปดนั่งสมาธิสวดมนต์แล้วพระอาจารย์ก็มีเตือนว่าให้ระวังนะเหมือนมันแบบมันอาจจะมีไฟขึ้นมาอยู่ช่วงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะระวังมันจะแบบเหมือนมันจะดรอปลงอะไรแบบเนี้ยมันมันก็เป็นอย่างที่ท่านบอกเลยค่ะ เคยพยายามรักษาระดับของการปฏิบัติไหมตอนนี้ยังอาจจะไม่เกิดผลเสียเท่าไหร่เพราะเรายังกินอันนี้สองของของบุญเก่าอยู่เด uh huh. ี๋ยวต่อไปแล้วเดี๋ยวใจมันจะเริ่มนอนขึ้นน้ำบุหญหินมากขึ้นนาคาญมากขึ้น uh huh. สแสดงว่าไฟบุญเก่าที่เราได้จากการปฏิบัติ uh huh. มันมันเริ่มเสื่อม uh huh. มันจางไปแล้ว uh huh. ตอนนี้มันยังอาจจะไม่ส่งผลแล้วก็ยราไัง uh huh. เราก็ยังระมาดให้เราก็ยังดีอยู่ไม่ไม่ปฏิบัติก็ได้ เดี๋ยวรอไปอีกสักพักหนึ่งก็ระวังเหมือนกันพอเห็นผลเสื่อมขึ้นมาแล้วเดี๋วแล้วทำใจเราเดี๋ยวนี้ร้อนขึ้นร้อนขึ้นทำไมอะไรมันยุ่งไปกับเขาหมดไปหมดเนี่ยแสดงสติเราเสือมแล้วเสื่อมลง ก็จะจะพยายามกลับมานั่งสมาธิต่อค่ะก็เหมือนคือพวกนี้มันช่วงนี้แบบคืออย่างว่าหนูปกติหนูก็เป็นคนทําทานเป็นประจําอยู่แล้วค่ะแล้วก็ทุกครั้งที่ได้ทําบุญเลยมันก็มีความสุขเต็มเปี่ยมแล้วเหมือนพอเราเรามีความสุขมันก็ออกทางสีหน้าทางอะไรอย่างเงี้ยเดินไปไหนก็แบบเหมือนมีแต่คนทักว่าแบบไปทําอะไรมาทำไมดูแบบว่าดูดีเลยอย่างเงี้ยผมทําบุญไง ใช่่ใช่แล้วมีความสุขอะค่ะก็คือทุกน้อยลงแล้วก็เหมือนแบบรู้สึกว่าเหมือนความเวลาที่เราอยู่ในสมาธิอะค่ะมันมันไม่ได้คิดอะไรเลยอะค่ะนี่ขนาดหนูไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นได้คณิกาสมาธิหรือว่าอะไรนะคะเพียงแต่ว่าเดี๋ยวนี้เริ่มรู้จักหยุดหยุดคิดพอที่จะหยุดคิดเป็นบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยทุกข์อะค่ะผู้อาวุโสเด็กเราพยายามทําไปอย่าประมาทนะก็จะไป ทำต่อค่ะพระอาจารย์ค่ะก็มากับเรียนพระอาจารย์ตามนี้ค่ะต้องระมัดระวังเพราะมันค่อยๆเกิดเราไปเท่น า, นทนานิดเท่านิดหนึ่งเราออกไปเท่นานิดเท่นานิ้ใช่เลยพ อ, อมามองอย่างนีโอ้ไว้หายไปหมดแล้วเ <c oughs> คยทำอะไรหายไปหมดแล้ว <c oughs> ใช่ต้องค่อยมาเติมเรื่อยๆค่ะเหมือนต้องต้องเติมเรื่อยๆ <c oughs> ต้องต้องมีตารางการปฏิบัติของเราแล้วค่อยเช็กดูว่าทําตามตารางหรือเปล่า เวลเปล่าค่ ะ, ะ, ะเดี๋ยวคงอาจจะต้องเซตอัพเรื่องตารางใหม่อะค่ะอาจารย์ก่อนหน้านี้ฟิตค่ะแบบทุกวันค้าแบบถือศีลแปดเลยไปไปออฟฟิศยังเดินจงกรมเลยค่ะ อ, อ, อ, อย่างนี้หายไปหมดแล้วก็ก็ยอมแล้วอย่างนี้เพราะอาจจะใจมันอาจจะไม่ทุกใจมันเลยสบายมันก็เลยประมาณ ใช่ค่ะเป็นอย่างที่ท่านบอ ก, กค่ะก็คิดว่าก็ต้องอเดี๋ยวต้องมาเซตอั ต, ตรางใหม่ที่คิดว่ามันเหมาะกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ากับตารางเวลาชีวิตของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมใช่ต้องหาอุบายวิธีที่จะรักษาระดับการปฏิบัติของเราไว้อย่าให้มันย่อหยอดค่ะพระอาจารย์ได้ค่ะอโอเคนะค่ะกล่าวขอบพระคุณพระอาจารย์มากค่ะอ่าขาดทอยู่ค่ะไที่คุณอุษาดิศยา นาราทีวา่ว่าครับนวัตการผู้พิาการค่ะแล้วลูกอารย์เนี่ยนวัตการชาวะา้าจย์หายาหายไปนานค่ะผ้าจันไปไปลองฝึกมาค่ะผ้าจันเพราะว่าที่ฟังกรุมเมื่อวานพระ้าจย์บอกว่าเหมือนคําสอนของพระผู้เจ้าเหมือนเป็นแมนนวลเป็นตัวคู่มือปฏิบัติเฉยๆหนูก็ลองปรากฏว่า มันเรื่องเหมือนกับเรื่องยองหยุดเย็นนะคะพระอาจารย์คือหนูที่ผ่านมารู้สึกเป๋ไปนานเลยค่ะที่ไม่ได้เข้าซูมมาพอรู้สึกว่าโดนโดนคือหนูจะโดนว่าตลอดว่าเออชอบน้ําหอมชอบอย่างงู้นอย่างนี้ทั้งทั้งที่เราไม่ได้ไปทําอะไรใครอ่ะคะ่ะแล้วมันรู้สึกเจ็บมากแล้วก็หายหายไปสักพักว่าเราจะแก้ปัญหายังไงค่ะพระอาจารย์หนูก็ไปลองแก้ปัญหาด้วยตัวเองก่อน ไปลองวิเคราะห์ดูว่าเฮ้ยหรือว่าที่เราไม่เราหวังว่าเขาอ่ะจะรู้ตัวว่าเขากําลังกําลังว่าเรานะน่ะเขาน่าจะแก้ได้กับอีกอันหนึ่งคือว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยหรือเขาไม่เห็นไม่เห็นหรือเปล่าว่าเขาเองก็มีปัญหาทําไมเขาไม่ไปดูที่ตัวเขาเองปรากฏว่าหนูลองลองทดสอบดูค่ะจากการลองลองพูดดูที่ผ่านมาคือเขาไม่รู้อะค่ะว่าว่าเขากําลังพูดได้ซ้ำอะค่ะเขาไม่ บางทีมีคนมาว่ามาว่าหนูว่าต่อต่อไปหนูจะไม่เจริญแล้วเขาไม่รู้ตัวได้วยซ้ำมาหาว่าเขาพูดทุกครึ่งชั่วโมงทุกชั่วโมงหริวคือเขาอันแรกคือเขาไม่รู้ตัวพออันที่สองคือสุดท้ายค่ะด้วยการที่ตะสมข้อมูลมาเราไม่สามารถต้องจนกับกับที่ผูาจา้จัดบอกค่ะว่าเราแก้อะไรเขาไม่ได้เขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ําแล้วเราจะเอาพลังงานไปตรงนั้นทําไมก็ไม่รู้เนี่ยค่ะเลยต้องกลับมาจนมุมกับ กับความรู้วันนี้แล้วก็มานั่งทบทวนตัวเองว่าเร า, เราแก้ไม่ได้จริงๆค่ะพระอาจารย์ค่ะเลยเริ่มตั้งส ต, ติได้ค่ะพระอาจารย์แล้วก็ค่อยมานั่งคิดคิดคิดแล้วก็เริ่มขอทำให้เริ่มมีกําลังใจในการปฏิบัตินะคะว่าเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้จริงๆยอมรับแล้วก็มาตั้งส ต, ติมาเริ่ ม, มภาวนามากขึ้นบริกรรมพุทโธในแต่ละวันมากขึ้นค่ะพระอาจารย์ค่ะใช่ปัญหามันอยที่ตัวเราไม่ใชอยู่ที่เขา เรารับเขาไม่ได้ถ้าเรารับขาได้มันก็จบเราพยายามไปแก้เขายิ่งแก้ก็ยิ่งปวดก็เขาก็ไม่เขาก็เขาก็ไม่เป็นแปลตามที่เราต้องการถ้าเรามาแก้ที่ตัวเรามันก็จบง่ายๆเขาเป็นอย่างนี้ก็รับไปดิเขาจะว่าเราก็ปล่อยเขาว่าไปก็เท่านั้นเองค่ะหนูลองมาดูที่ตั้งแต่ชีวิตที่เกิดมาถ้าอะไรก็ตามที่คนที่ว่าแล้วทําให้เรารู้สึกเจ็บทุกครั้งที่เราพูดไม่ ถ้าสับไม่มีใครแก้ให้เราเลยค่ะพระอาจารย์เพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนเลยไม่ได้เลยค่ะพระอาจารย์จนจนวุ่กับความรู้ว่านี้จริงๆค่ะต้องต้องโทษตัวเราเองอย่าอย่าไปโทษคนอื่นโทษตัวเราเองที่เราไม่สามารถที่จะรับการกระทําของเขาได้เพราะเราอยากให้เขาทาอย่างนั้นอย่างนี้พอเขาไม่ทําอย่างที่เราอยากเราก็เลยเดือดร้อนขึ้นมา แล้วก็พยายามไปแก้ที่เขาให้เขาทำตามความอยากของเรามันก็เลยยิ่งเป็นเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเขาไม่ยอ ม, มยิ่งเดี๋ยวก็ต้องทะเลาะกันว่ากันต่อสู้กันไปถ้าเราแก้ที่ตัวเราปป๊บเดียวมันก็จบนะเราไม่ใหญ่เขาว่าเราแล้วเราทุกข์ถ้าเราปล่อยให้เขาว่าเราเรายอมให้เขาว่าเราเราก็จะไม่ทุกข์ก็เท่านั้นเอง ก็กลับมาที่สุดสามยอย่อมหยุดเย็นนะว่าจบแล้วไม่ยอมค่ะอาจารย์คะแล้วถ้าเวลาสมมติพอดนว่าอะไรแบบนี้โดนวิจารณ์ปุ๊บตอนช่วงนี้คะ่ะหนูใช้วิธีพอรู้ตัวปุ๊บหนูไปพุโทโธพุดโธพุดโธแทนแล้วสบายแบบนี้ได้ได้ไหมคะได้แต่มันแบบชั่วคราวมันเดี๋ยวจอเข้าว่าใหม่ก็ต้องไปพูดโธใหม่อาจารย์แบบไม่ต้องพุดโธ ไหวเขาว่าได้ตลอด24ชั่วโมงก็คือต้องใช้ปัญญาปัญหาอยู่ที่เราไม่ใช่อยู่ที่เขาเราไปอยากให้เขาไม่ไม่มาว่าเราถ้าเรายอมให้เขาว่าใช่มันก็จบเราอยู่ในโลกนี้พุทธเจ้าเขาบอกว่ามันมีสัรรเสริญนินทาของคู่กันอยากให้เขาแต่สรรเสริญอย่างเดียวไม่ได้หรอกต้องมีนินทาสลับกันไป มันกน็มันก็เป็นแค่เสียงนะคนมีปัญญาก็จะมองมันก็เป็นแค่เสียงนะเสียงนกร้องเสียงมาหาวมันก็เสียงเหมือนกันไม่ให้เราไปเดือดร้อนกัามดพระอาจารย์คะอย่างถ้าที่หนูอ่านหนังสือของพระอาจารย์นะคะกว่าที่คนที่จะละเรื่องเรื่องนี้ได้ที่จริงอย่างถ้าสมมุติพระโสมดาบันท่านก็จะละเรื่องความเจ็บถูกไหมคะพระตกิทาคากับพระนาคาเนี่ยจะเรื่องร่างกาย แล้วเรื่องที่หนูเครียดนี่มันเกี่ยวกับทั้งเป็นเกี่ยวกับอีโก้ได้ตามมาค่ะมันดูเหมือนจะแก้ยากเป็นเรื่องของระดับปริญญาเอกเลยไม่ใช่หรอคะพระอาจารย์มันดูยากยากราคาพระอาจารย์ก็แล้วแต่เราจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายอยู่ที่เราจับประเด็นได้หรือไม่ว่าปัญหามันอยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่เขาเท่านั้นเอง mm hmm. เราอยากจะไปเปลี่ยนเก า, mm hmm. าก็เป็นมรรคออยากให้เขาเป็นสัรพนรส ก็ถามได้เลยเนาะทราบเป็นสับปะรดพอเขาไม่เป็นสับปะรดเราก็เลยเราก็เลยเครียดมาเจอเนาแล้วก็หาชาบมะละกอไปด้วยหมดเรื่องก็เป็นมะละกอกินมะละกอไปมันก็จบไปเปลี่ยนเขาทำไมไปเปลี่ยนมะละกอให้เป็นส้มเป็นสับปะรดทําไมก็กินมะละกอไปชอบมะละกอไปมันก็จบ เรชอบด่าเราเราก็ชอบให้มกาด่าไปก็จบแล้วนะอะไรก็แค่นั้นเองมัยากตรงไหนอย่าไปคิดเรื่องอ่ะขั้นนู้นขั้นนี้อีโก้เอกอเลยปัญหาอยู่ที่ความอยากนั่นแะตัวเราเองอยากกินสับประรดพอเขาให้มันก็มาก็โกรธเขาน่ะกอกินไปก็หมดเรื่องกินไปมันก็อิ่มเหมือนกันนฮะ เดี๋ยวจะลองนะคะพระอาจารย์ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะพระอาจารย์หนูจะขอบขอบคุณพระอาจารย์ค่ะคือตอนนี้ค่ะหมาของหนูค่ะเขาไม่ไม่สบายกำลังจะค่อยๆถอยไม่ค่อยดีแล้วค่ะพระอาจารย์แล้วเมื่อก่อนนะคะหนูกลัวหมามากเลยพระอาจารย์เป็นคนสอนคํามสอนของพระอาจารย์นะคะทำให้หนูพิกกับ กลับจากการกลัวหมาขั้นสุดขึ้นสมองจนหายกลัวหมาได้อะค่ะพระอาจารย์หนูขอบคุณพระอาจารย์มากค่ะมันทําให้หนูมีโอกาสที่ทําให้ได้ไปช่วยเหลือสัตว์ได้ดูแลสัตว์ค่ะแล้วก็เ อ, อตอนตอนเนี้ยค่ะก่อนหน้านี้เขาเคยไม่สบายมาครั้งหนึ่งหนูก่อนหน้านี้นา น, านแล้วค่ะเป็นปีหนูทําใจไม่ค่อยได้หนูนั่งสมาธิทั้งคืนเลยค่ะพอจนจนเช้าออกมาปรากฏว่า จากที่เขาดูเหมือนจะจะตายแล้วเขาออกมาวิ่งจนตอนนั้นนะคะมันทําให้หนูรู้สึกเลยว่าเราประมาทไม่ได้แล้วเขาสามารถตายได้ทุกวันเลยมันทําให้หนูเริ่มนั่งสมาธิมากขึ้นแล้วเริ่มเข้าสูมเพราะว่าหมาไม่สบายเนี่ยนะคะพระอาจารย์แล้วเลยพอช่วงเนี้ยคะ่ะเขาเริ่มถอยลงรับมันถึงเวลาแล้วปรากฏว่าหนูมองเขาค่อยๆถอยได้โดยที่ใช้พุทโธไปอยู่ใกล้ๆเขาได้ต้องขอบคุณพระอาจารย์มากๆค่ะ เป็นบุญคุณมากๆเลยค่ะที่พระอาจารย์ทำให้หนูได้หายกลัวหมาเราได้ดูแลเขาแล้วได้เข้มแข็งดูแลเขาค่ะอ่าต้องขอบคุณพระพุทธเจ้านีความรู้ทั้งหมดที่มาจากพระพุทธเจ้าองค์เดียวถ้าไม่มีพระพุทธเจ้านี่ไม่มีใครรู้เรื่องราวเหล่านี้ได้ขอบขอบคุณจริงๆค่ะพระอาจารย์แล้วก็อ๋อขอบพระพุทธเจ้าขอบพระพุทธเจ้าค่ะปฏิบัติบูชาขอบขอบคุณด้วยการปฏิบัติบูชา ค่ะแล้วก็คําถามที่สามค่ะพระอาจารย์เมื่อกี้มีหลายๆลายคนถามหนูยังเรื่องเกี่ยวกับกรารมร า, าค่ะค่ะพระอาจารย์หนูชอบน้ําหอมมากแล้วคือไอ้รูปรสกลิ่นเสียงทั้งหลายค่ะถ้าสมมุติว่าหนูไม่ไม่ชอบไปกินอะไรไม่ไม่ชอบน้ําหอมอะไรแล้วอะไรคือเครื่องอยู่ของหนูต่อไปอะคะพระอาจารย์ก็สมาธิไงท้านหนูต้องฝึกสมาธิ พอหนูมีความสุขจากสมาธิของเรานี้มันก็จะไม่มีความหมายเพราะความสุขจากสมาธิมันมันลดสูงกว่ากันมันลดชาติเด็ดกว่ากันเป็นอาหารห้าดาวกของที่เรากินนั้นเป็นแค่ดาวเลี้ยวสองดาวพอได้กินอาหารห้าดาวแล้วก็ไม่อยากจะไปกินอาหารดาวสองดาวต่อไปน้องฝึกสมาธิบ่อยๆนั่งสมา ธ, มาธิให้จิตสงบ ให้มันสบายกับรถแห่งทําที่ชนะรถทั้งปวงแล้วมันก็จะละได้ง่ายเพราะเรามีเครื่องอยู่มีของมีเครื่องทดแทนเมื่อก่อนเราต้องอาศัยสิ่งนี้แต่เดี๋ยวนี้เรามีของที่ดีกว่าเหมือนตอนนี้เรามีรถเก่าแล้วเราได้ซื้อรถใหม่ที่ดีกว่าเราก็ไม่ต้องใช้รถเก่าแล้วรถกวเก่าก็โยนทิ้งไปขายไปให้คนอื่นไปเราใช้รถใหม่มันสบายกว่าใช่ไหมค่ะ แบบเดียวกันต้องพยายามหารถใหม่มามาหาสิ่งใหม่มามาเสกแทนรูปสิ่งกินรถกานที่เมื่อกี้ตอบคำถามของคุณหมอพิเชนญญาการยารัการรมได้ต้องมีสมาธิความสุขจากสมาธิมาถึงยารักร่าได้ค่ะพระอาจ า, จารย์เราจาหาเสกเสกสมาธิแทนค่ะพยายาม มีน้ำหองเท่าไหร่โยนทิ้งไม่หมดเลยยังอยู่ในตู้อยู่ค่ะพระอาจารย์มองเราเคไปทิ้งไปให้หมดเลยมนเรื่องมีอยู่ใกล้แล้วมันก็ทําให้มันกิเลสมันอดไม่ได้มันก็ยังติดอยู่ต้องเด็ดขาดเรายกให้คนอื่นไปให้หมดทั้งอยากจะได้เข้าไปเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะคะพระอาจารย์เราจะเล่าไม่ใช่นะเราจะเล่าเก็บมันไวยทําไม ถ้่อยมันหลอกหราเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวก็ผดไม่ได้ค่ะถ้าจะเริมเห็นโทษทระมันว่ามันเป็นทุกข์มันตัวทำให้เราทุกข์เนี่ยแล้วก็อย่าไปเสพมันไปหมดเรื่องจบลองดูลองดูค่ะข้อสอบ<ป>ข้อสอบค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คุณอุษาไว้เลย นกักการศึกษาอาจารย์คือโยมวันที่โยมกลับมาจากชนบุรีใช่ไหมคะอะไรเออสามีโยมไปรับอะค่ะแล้วเขาบอกโยมก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าจากการปฏิบัตินั้นโยมเจออะไรบ้างเขาก็บอกว่าให้โยมไปปฏิบัติธรรมให้ไปปฏิบัติธรรมได้เลยเธอไปปฏิบัติธรรมได้เลยเขาวแงเนี้ยค่ะแล้วส่วนเขาเขาบอกว่าเขาเนี่ยทําบาปไว้เยอะเขาถึงได้โรคเยอะเขาว่าอย่างนั้นนะคะโยมก็บอกว่า คือลองรักษาสีหน้าให้บริสุทธิ์บาปเก่าเราแก้ไม่ได้อย่าทำบาปใหม่เพิ่ ม, มอั น, นิยมก็ว่าว่าไปเรื่ อ, อยอะค่ะอาจารย์ไม่รู้จะให้กำลังใจเขายัางไงคะแล้วเขาก็เงียบแต่ก็เขาก็ก่อนหน้านี้เวลาโยมจะไปปฏิบททัติธรรมวันนี้เขาก็เหมือนกับไม่เห็นด้วยหรืออะไรเงี้ยคะ่ะแต่ตอนนี้เธอไปปฏิบัติธรรมเธอเธอไปได้เลยประมาณนี้คะ่ะไปเขียวมาแล้วอาจารย์แล้วก็โยมรู้สึกว่ามันมีความสุขลึกๆอะค่ะอาจารย์โยม กลับมาแล้วยมรู้สึกว่ายอมมีความสุขอยู่ลึกๆอะไรคือความสุขของโยมโยมเอ๊ะทำไมวันนี้เรามีความสุขลึกๆก็บอกอย่าไปยินดีกับออมันให้เรารู้แค่ว่าวันนี้เรามีความสุขจังเลยแต่ว่าเอ๊มันเกิดจากอะไรไม่ต้องไปถามไม่ต้องไปตามหาอันนี้ถูกไหมคะอาจารย์อ่น้ว่ามันไม่เที่ยงดียปะโน้เดี๋ยวมันก็หมดก็พย า, ายามว่าอย่าไปอย่าไปยินดีกับมันให้อยู่กับอยู่กับปัจจุบันค่ะแล้วก็พยายามเดินแล้วก็ นั่งสมาธิมากขึ้นแล้วก็มันก็คือไออาการฟุ้งอะ่ะมันมันยังมีแต่ว่าไม่ไม่เป็นอย่างเดิมมันเหมือนว่าเรารู้แล้วแหละว่าเดี๋ยวมาเราจะวิธีการหลบมันยังไงเรารู้วิธีการหลบมันนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าดีจังเลยแล้วก็พอสามีก็บอกว่าเธอไม่ต้องมายุ่งกับการทํางานเยอะหรอกเธอไปปฏิบัติธรรมเลยยมรู้สึกดีใจอะค่ะจาย์ว่า <c oughs> แต่เรื่องว่า <c oughs> เขาต้องเกี่ยวให้แล้วก็ดีค่ะ คือนอกจากการที่ไฟเขียวการที่เข้าไฟเขียวแสดงว่าเขาต้องเห็นอะไรจากโยมอะค่ะเขาถึงได้ไฟเขียวโยมคิดแบบนั้นนะคะดีสําหรับเขาด้วยเรายินดีก็แสดงว่าเขาอนุโมทนาถ้าทุกค่ะแต่โยมที่นิยมก็อยากขอข้อแนะนําที่อาจารย์จะให้กับเขาแล้วโยมจะได้ไปบอกเขาว่าค่ะอาจารย์ว่าควรจะทํำยังไงกับความรู้สึกที่ว่าเขาบอกเขาเป็นทุกข์ไอ้เขาเขาเขาโลกเยอะเพราะเขาทําบาปเยอะแม็โยมก็บอกว่า ไอเหตบตัวหนึ่งมันก็คือหนึ่งจิตวิญญาณที่ยมฟังจากหน้าน้ากุฏิพอดีวันนั้นยมก็มาบอกเขาค่ะไอเห็บหนึ่งตัวมันคือหนึ่งจิตวิญญาณเลยนะเหมือนกับที่เคยมีเทสว่าห่วงจีวรแล้วก็ตายไปไ ป, ไปเป็นเลนนะคะประมาณนั้นเขาก็เงียบไปยมก็บอกว่าให้รักษาสี่ห้าให้บริสุทธิ์นะอย่างน้อยก็ปิดประตูออบายยมดำน้ำไปเรื่อยอค่ะอาจารย์แต่ยมคิดว่ามันน่าจะเป็นกําลังใจที่ดีกับเขาค่ะ แต่โยมก็อยากขอคําแนะนําจากพระอาจารย์เพื่อจะไปบอกเขาต่ออะค่ะถ้าเขาไม่ขอก็ไม่แนะนำให้เขาขอมาก่อนโยมบอกว่าเธอมาสิเธอมาสวัสดีอาจารย์ในซูมเขาเขาความจริงนะคะตอนที่เขาอยู่ชนบุรีเขาขับมาขับรถยนต์ไปจากชนบุรีไปขึ้นเขาค่ะไปฟังธรรมอาจารย์ที่อยู่ที่บนเขาบ่อยคะ่ะแต่พอมาตรงนี้เวลาเวลานี้เขาจะไม่เข้าซูมค่ะเขาไม่ออกตื่ออาจารย์เขาจะนั่งฟัง ถ้าไม่เวลก็ปล่อยไปตามอัตยาศัยแสดงว่าโยมต้องโยมต้องถอยถ่ายพทอดต่อใช่ไหมคะก็แล้วแต่โยมอ่ะก็สนใจหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ <c oughs> ดีขึ้นค่ะอาจารย์วันนี้พอโยมโยมเดี๋ยวเขามารับโยมินเขาบอกว่า <c oughs> ตอนนี้เขาชมโยมอยู่แล้วนะคะที่เธอทํามาเน่ยถูกหมดเลยนะอันเนี้ยเ <c oughs> ขาบอกว่าเธอทาํามานั้นถูกนะเออตอนนี้ฉันเริ่มนั่งสมาธิแล้ว คือเขาก็ฝึกทางนี้มาตลอดค่ะอาจารย์เพียงแต่ว่าเขาจะติดดูฟุตบอล น, นั่งสมาธิเขาก็เริ่มทําตอนนี้ฉันนั่งสมาธิมากขึ้นนะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเบามากขึ้นนะอะไรประมาณนี้ะค่ะแต่โยมก็ไม่ได้บอกเขาบอกว่าอย่าบังคับเขาโยมก็ไม่บังคับค่ะอาจารย์แต่เสียาดายโอกาสเขาอะค่ะเรื่องของเขาเขาเป็นอย่างนี้จะทำยังไงค่ะตาทูค่ะอาจารย์โยมก็น้อมนามาจารย์ คำสอนของอาจารย์มาใช้นะคะแล้มาบังคับตัวเราเองดีกว่าอย่าไปบังคับคนใช่คชตอนนี้โยมก็คืออเอาน้อมนาคําสอนของพระอาจารย์มาใช้นะคะใครจะด่าเราก็เรื่องของเขาเขาไม่ดีเราก็ดีแล้วเขาตีเราก็ดีแล้วอย่างเดียวเขาฆ่าเราโยมเอามาคิดอย่างนี้ตลอดแก้ที่ใจตัวเองค่ะอาจารย์ดีแล้วอย่างนี้โยมบังบอกนะเขาทำอะไรดีไปหมดเขาฆ่าเราก็ดีจะได้หมวดเว้หมดกรรมกันไป แต่มันมีอันนึงที่ยมรู้สึกว่าโยมพลาดค่ะอาจารย์ยมรู้สึกว่าธรรมยมไม่เมตตาอำเภอที่ยมอยู่เป็นอำเภอเล็กๆใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็ยมไปซื้อปลายมไปตั้งแต่แรกแล้ยยมก็สั่งแล้วยมก็ยืนรอแล้วมีอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าแบ่งๆกันหน่อยสิยมก็นึกทำไมนะก็เราซื้อก่อนเราสั่งก่อนแล้วยมก็เดินกลับมาแบบงงๆเออทำไมเราไม่เมตตาทำไมเราไม่แบ่งให้เขาตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ผิดอะไร ทำไมเราทำไมเขาต้องมาพูดคำนี้กับเราอายมพลาดไปแล้วค่ะอาจารย์ตรงที่อันนี้โยมไม่มีเมตตาใช่ไหมคะอ่าก็ไม่ทําทานเขาไม่ทานเขาขอเราเขไม่ให้ของนั่นเลยค่ะเพราะเราโยมโยมไปคิดท้งโลกโยมไม่ได้ผิดตรงไหนนี่นะโยมซื้อก่อนไม่ผิดเขาไม่ได้ทําบาปไม่ไม่ไม่ไม่ทําบุญเท่านั้นไม่ยอมทำบุญใช่ค่ะอันนี้โยมก็กลับมาคิดอยู่แล้วก็อ๋อแสดงว่าเราไม่ทันสติ แต่โยมก็บอกว่าขอบคุณเขานะที่มาให้ข้อคิดโยมอ่าอ๋อต่อไปเราต้องเมตตาเราจะไม่จะไม่เขาเรียกอะไรคะโลภคิดถึงเมื่อเวศทันดอนใครมาขออะไรให้เลยกลับมาคิดทีหลังค่ะอาจารย์อืกลับมาคิดทีหลังจากที่เราทําไปแล้วยิ้วปลากลับบ้านแล้วมันนั่งคิดพลาดไปแล้วค่ะอาจารย์แต่โยมจะเอามาใหม่ค่ะอาจารย์โยมมารายงานตัวเท่านี้ค่ะอาจารย์แล้วก็ขอบพระคุณนะคะโยมฟังธรรมน้ากุติสองสามส สองสามรอบที่กลับมานี่ค่ะรู้สึกว่ามันมันยิ่งตอกลึกตอกลึกตอกลึกลงไปเรื่อยๆอย่างขาดจานมันเริ่มกระจ่างขึ้นกระจ่างขึ้นทุกครั้งค่ะล้วเป็นนักปฏิบัติซื้อปลาต้องซื้อปลาตายนะอย่าไปซื้อปลาเป็นมาไม่โยมไม่เคยทําของเป็นตั้งแต่ตั้งท้องลูกอาจารย์ไม่ลวกหอยไม่ทำเลยตั้งแต่คลองเขาอย่ไปสั่งอย่าไปสั่งเขาด้วยนะไม่เคยทํำอาจารย์เนีย่าไปสั่งเขาว่าพรุ่งนี้ยาวปลาตัวหนึ่งนะไม่ไม่ค่ะไม่ไม่ไม่ทำเลยะอาจารย์ ย<ม>ุงกัดยมยังไม่เคยตีเลยเด็กยังบอกอครูยุงกัดก็ไล่เข้าไปเฉยๆจนกระทั่งเด็กก็จะจําภาพนี้ค่ะไม่เคยทําตรงนั้นมยมบอกแล้วบาปเก่าแก้ไม่ได้ค่ะบาปใหม่จะไม่ทําเพิ่มนอกจากไม่ตั้งใจเท่า น, นั้นเองอเค่ะอาจารยค่ะ ข, ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ส<ม>าธุค่ะที่กรรอนอนองตงั้งนาเลยว่ า, า, า, า, าพัฒ น, นาการ ไม่จาไม่ได้แล้วอย่านี้นสวัสดีแม่ว่สการคุณพะาอาจารย์คุณแม่ก็มาด้วยนะใช่ใ <น S 1> ค่ะพยายามพามาทุกสัปดาห์ค่ะอาจารย์ต้องพยายามชวนม า, าค่ะพระอาจารย์เอาคุณแม่ให้ปฏิบัติ ท, ทําได้ได้บุญเยอะนะเป็นการต้อนรับคนที่ดีที่สุดใช่พยายามชวนนะ่ะให้คุณแม่ถามก่อนก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวโยมค่อยรายงานของโยมคอะพระอาจารย์คะ เดียนก็พยายามที่จะปฏิบัติธรรมนะคะนั่งสมาธิปัสฐนาแต่ว่ามันก็เป็นไปด้วยความยากยิ่งเพราะว่าเดียนมีจิตที่ว่าอยากจะเกิดอีกและจะเกิดเป็นหมอในชาติต่อๆไปเดียนก็มาถามตัวเองว่าเอและอย่างนี้เนี่ยมันจะค้านกับการเดียนเนี่ยนั่งปฏิบัติธรรมหรือเปล่าไม่มีสมาธิที่จะมุ่งสู่ โรคอุตจารภูมิอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอยากจะนั่งการถาท่านาได้การปฏิบัติธรรมก็เพื่อล้างความอยากทั้งหมด เ, เพราะการอยากเผาให้เรามาเกิดแล้วมันพอเราเกิดแล้วก็ต้องมาเจอกับความแก่ความเจ็บความตายไงถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็อยากทำมาเกิด แต่ว่ามันมีภาวะตันหานี้คืออยากจะเป็นหมอค่ะก็จะในชาติต่อไปก็เราหมอเป็นหมอก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันอยากจะแก่ไหมอยากจะเจ็บอย่างตอนนี้เป็นยังไงดีไหมแก่กับตอนเป็นสาวเป็นยังไงไหดีกว่ากันแตนเป็นสาวดีกว่าเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเดี๋ยวต้องไปตรวจโรคไปอะไรดีไหมเวลาต้องไปเช็คร่างกายไปอะไร มัาเกิดก็ต้องมาเจออย่างเนี้ถ้าไม่อยากจะเจอเรื่องราวเหล่านี้ก็อย่ามาเกิดมันต้องละความอยากที่จะกลับมาเกิดเราเห็นโทษของการมาเกิดเป็นทุกข์มันไม่มีคุณจะาาเกิดมาดีขนาดไหนเป็นหมอเป็นอะไรก็ตามมันก็มันก็ต้องมาเจอความแก่ความเจ็บความตายยกเว้น ม, มาเกิดเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระพุทธเจ้าโอเคเพราะมันเป็นการมาเกิดเพหยุดการเกิดอย่างถ้าวว ตรงนั้นยากมาเกิดดีกว่าถ้า ม, มาเกิดแล้วได้มาเป็นพระพุทธเจ้าได้มาเป็นพระละนี่่าจะกลับมาเกิดกลับมาเกิดแบบนี้ดีกว่าอยากกลับมาเกิดเป็นหมอเป็นพระเจ้าเป็นดินเป็นมหาเศรษฐีเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้มันมันไม่สามารถบรรดาบความทุกข์ใจนะไม่สามารถอยู่การกลับมาเกิดมาเวียนว่ายตายเกิดได้นะ แต่ก็ไม่ว่านะไม่ไมขดาดศรัทธาแล้วอยากจะมาเป็นหมอก็ไม่ว่าเ <c oughs> เป็นอุปสรรคหลักของแม่เป็นความคิดไปแบบไม่คิดแบบรอบข้อมนคิดลว <c oughs> ่าเห็นภาพดีเป็นหมอจะได้มาช่วยรักษาชีวิตคนนั้นคนนี้ <c oughs> มันก็ดีนะมองในในมุมมองของทางโลกนั้นก็ดีแต่ไม่ได้มาแก้ปัญหา คนตายคนเจ็บคนตายที่เราไปรักษาเดี๋ยวเขากลับมาเกิดใหม่ก็ต้องมารักษาตั้งใหม่เนี่ยไม่ไม่รู้รักษากี่แสนล้านรอบันต้องรักษาตั้งไปเรื่อยๆต้องกลับมาเกิดเป็นหมออยู่เรื่อยๆเอาไหมมันไม่ได้ดับทุกโดยสิ้นเชิงใช่ไหมครับอย่างที่มันไม่ได้อยู่ติดโรคภัยแค่เจ็บหรอกมันก็ต้องทุกคนก็ต้องกลับมาเกิดใหม่แล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ดี ก็ต้องมีหมออยู่เรื่อยๆหมอก็ต้องมารักษากันอยู่เรื่อยๆ mm. มันต้องอมันต้องแก้ปัญห า, า, าแบบให้มันม้วนเดียวจบอยากกลับมาเกิดเลยอันนัน้นไม่เกิดแล้วก็ไม่ต้องมีหมอไม่ต้องมีคนไข้นะเดี๋ยวให้อนันต์ถามแล้วกันกันสัปดาห์ที่ ค่ะนเปิดเสียงนัับอาจารย์ขออภัยอาจารย์สัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันที่สิบสองถึงสิบห้ายมขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าปางคลื่นค่ะที่เชียงใหม่ น, นั่นเพราบว่าปอดีว่าไปช่วยน้องเนี่ยวันนี้น้องคุณหมอครับเข้ามาค่ะเพราะว่าเขาบอกเขาจะเข้ามาการาบอาจารย์ด้วยกันคุณหมอทเจ้าขึ้นไปช่วยกันจัด คอปฏิบัติธรรมที่วัดป่าบางเกื้อกิจ ธ, ธรรมของหลวงปู่โบเกตนะคะก็เลยขึ้นไปปฏิบัติบนนั้นตั้งแต่สิบสองถึงสิบห้ายงก็เพิ่งเ่งเคยขึ้นไปอยู่ข้างแรกนะคะท่านก็สบายมากไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณอะไรเลยดีมากเลยท่านนะเพราะว่าอาจารย์คือรู้สึกไม่ต้องรับรู้อะไรของข้างนอกเลยไม่แม่ ม, มีใครตามเราก็ไม่ได้น ะ, ะแล้วก็แล้ว ก, วก็อากาศก็เย็น มีความสงบเงียบแล้วก็มีพ่อแม่ครู อ, อาจารย์ก็ไปนําแสดงธรรมแล้วก็นําปฏิบัติงานะก็ได้ท่านก็นําคือเห็นจริงๆขึ้นไปตรงนั้นเนี่ยโยมก็ได้ผ่านเหมือนกับว่ า, วาตรงตรงเวทนาที่เราเจอเวลาเรานั่งอยู่ที่บ้านเนี่ยพอไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเหมือนอาจจะเป็นเพราะอยู่ต่อหน้าครูบาอาจารย์ด้วยก่อนไม่ทราบแต่ว่าเหมือนเราเรา กำหนดรู้มันได้ดีขึ้นคือเหมือนเรารับกับมันได้ได้ได้ได้ดีไ ด, ไ ด, ไ ด, ได้มากขึ้นย่งนีน้เพราะว่าอย่างนั่งแบบสองชั่วโมงอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่ขยับแบบเมันอยู่ที่นั่นอะ่ะเราทําได้แล้วก็รู้สึกโอ้แบบมีกําลังขึ้นมามากเลยเพราะว่าอย่างคืนที่สองที่มีหลวงหลวงข้อสําดงท่านมานําก็จะท่านจะรอบแรกสองชั่วโมงแล้วก็เบรกแล้วก็จะมามีนั่งอีกชั่วโมงหนึ่งซึ่งปกติถ้าอยู่บ้านเนี่ยน่าจะน่าจะหมดสภาพไปแล้วอันนั้นเราก็แบบ สามารถจะทําได้แล้วมันก็เหมือนกับว่าพอกลับลงมาค่ะท่านสองวันเนี้ยกลับมาปฏิบัติที่บ้านน่ะมันก็เลยมันอาจจะเป็นกําลังที่ต่อเนื่องมาจากข้างบนก็เลยทําให้เราเนี่ยพอถึงจุดที่เราเคยอยู่บ้านแล้วเรารับกับเบทเหมือนกับเคเบธนาจากการปวดขาตรงนี้ไม่ได้มันก็เลยกําหนดได้ดีขึ้นคือรู้อะรู้แล้วเราก็เหมือนทําเวลาในการนั่งได้ยาวมากขึ้นอย่างนีนคะอาจารย์อ่าเดี๋ยวมันก็ค่อยๆเสื่อมลงไป ดี๋ยก็ต้องกลับไปใหม่ต้องไปชาร์ใหม่ใช่แบบแต่ว่าจองแ ต, แต่ว่าตอนเนี้ยจองห้องที่เขาเชีโอนไว้แล้วนะคะเดือนหน้ากับเดือนธันวาเพราะว่าเราตั้งตั้งตารางไว้เลยว่าเราจะต้องคงจะต้องแบบมีวินัยในการไปเติมพลังงานอ่ต้องไปคอยคอยไปชาร์แบบอยู่เรื่อยๆใช่ค่ะไปแล้วมันได้มาเห็นมันมันเห็นความแตกต่างระหว่างไปก่อนไปแล้วหลังจากกลับมาใช่ค่ะ คือสถานที่อะไรเงี้ยคือหลายๆอย่างมันเห็นความแตกต่างมากค่ะถ้าเทียบกับถึงแม้อยู่ที่บ้านเราก็พยายามทําแต่บางอย่างมันเหมือนพลังมันก็มันมั น, มนต่างกันพอสมควรนะคะและ้ว ก, ก็ก็เลยมากับเรียนว่าเนี่ยก็คือไปปฏิบัติมาสี่วันก็ก็เห็นความแตกต่างกลับลงมาก็เหมือนยังพอมีพลังอยู่แต่ก็อย่างท่านว่าว่าเดี๋ยวมันก็จะเริ่มเสื่อมแล้วก็ เนอกจากถ้าเราพยายามรักษาไว้มันก็าจะไม่เสื่ยมไม่ได้แต่ตอนนี้ ก, ก็จริงๆตอนนี้พอลงมาก็เหมือนแบบความรู้สึกเหมือนเรามีกำลังที่อยากจะตื่นเร็วขึ้นแล้วก็มานั่งให้มากขึ้นกว่าเดิมก่อนขึ้นไปอย่างนั้นคือบอกว่าพยายามสังเกตตัวเองว่าเอ๊ะมันเปลี่ยนไหมหลังจากรากลับลงมาจากข้างบนเรามีความแบบ มีความสุขกับการมานั่งปฏิบัติมากขึ้นไหมก็รู้สึกว่าเออเราอยากจะทํามันมากขึ้นคือตื่นเช้ามากขึ้นอยากจะแบบนั่งให้ยาวขึ้นพยายามพยายามฝึกรักษาสิ่งเหมืนก็รักษาความรู้สึกเดียวกั บ, กบที่เราอยู่ข้างบนว่าเออเราเราสามารถจะผ่านเมตนาได้นะแต่ก็คงต้องจําคําสอนข้าวจ้าวว่าเราก็ต้องรู้ด้วยว่ามันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็จะมาไปมาไปอยย่างเี้ ก็มันอยู่ที่สิ่งแวดล้อมด้วถ้าเสิ่งแวดล้อมเหมือนที่อยู่ที่บนเขามันก็อาจจะทําให้เรารักษาต่อได้แต่ถ้าสิ่งแวดล้อมมันไม่เหมือนกันมันก็อาจจะดึงให้เราลงต่ําได้อันนี้ก็อยู่สิ่งแวดล้อมก็มีส่วนประกอบสิ่งแวดล้อมมีส่วนมากๆเลยค่ะแต่อย่างที่บ้านมันก็ยังมีเสียงเสียงโน้เสียงนี่อย่างเงี้ยเราก็มันก็จะไม่สงบเท่าข้างบนเขา น่าจะต้องมีภารกิจการงานที่เราต้องทำที่เราไม่ได้ทำเวลาที่เราขึ้นไปบนเขาหนึ่งใช่ค่ะอย่านี้มันก็จะมาเป็นตัวตะบ่อนทำลายก<ช>ารปฏิบัติของเราใช่เลยค่ะอาจารย์พอลงมาแนละ้วพอเสียงโทรศัพท์แรกดังนะโอ้โหโน้งไม่ไดใจอยากจะให้สัญญาณโทรศัพท์มันหายไปตลอดก็เปลีปินเทื่อวแล้วเปิดนเทื่ยวมันก็เหมือนกันนะ เดี๋ยวนี้จริงๆเดี๋ยวนี้จริงๆยมดีขึ้นมากเพราะเดี๋ยวนี้พอพอจะเริ่มปฏิบัติอ่ะยมเปิดแอร์เพลนโหมดเลยแต่ก่อนปิดไม่ได้นั้นก็คือกังวลเดี๋ยวนี้คือเราแบบเปิดเป็นแอร์เพลนโหมดไม่ต้องรับรู้เลยครอยากโทรนอกจากมีธุร่าเราค่อยเปิดโทรออกแต่ไม่รับสายแค่นั้นก็จบนะมีไม่ใช้โทรแต่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เอาไว้รับสายใครพอพอไม่ใช้ก็เปิดแอร์เพลนโหมดไปเลย นช่วงปฏิบัติเพราะไม่งั้นตะก่อนพอไม่ปิดไม่เปิดเป็นแอร์เพนโหมดเดี๋ยวก็มันก็ถือแม้เราไม่เปิดเสียงมันก็จะสั่นตลอดเวลาแล้วเราใจเราก็จะไปคิดว่าใครมาน้ใครโทรมาที่ไม่ร้านปากทำเป็นแลสองฉุกเฉินแล้วปากคนที่เขาโทรมาหาเราก็จะมาหาก็จะมาขออะไรจากเรามากกว่าที่จะเอาอะไรมาให้เราไม่มีใครยู่ี่โทรมาเดี๋ยวจะให้สองล้านไม่มีมปนใจมาขอยืมเงินมากกว่า อนั่นสิคะน่ายจนอืมกเป็นเปิปดเปิดดีกว่าเปิดเราได้กำไรกว่าไม่ขาดทุนรับประกันได้เปิดล้วขาดทุนนะนั่นก็ก็ก็เลย ก, ก็สังเกตแล้วก็ได้เรียนรู้ไปเลยด้วยว่าเนออี่พอเราเนี่ยปิดได้ก็ก็เหมือนกับเป็นอีกขั้นหนึ่งว่าเออเราเราเราหยุดได้อะ่ะ ห่างจากมันได้ไม่มบ้างเมนนื่เราไปวนอยู่บนนั้นได้เราปิดได้ตอนนี้เรามาข้างหน้างเราก็ปิดต่อไปเลยแต่คนอื่นอาจจะมีคนร้อนใจแทนทำไมผมไมได้สักทีกเรื่องของเขาเมื่ อ, อตอนที่เราไปอยู่บนเขาก็เขาก็ถั่วไม่ได้เหมือนกันไม่เห็นเราสิ <S <S ่งนตอนนั้นเรายังไม่กังวลเลยใช่ไหมครัท่านตอนเราอยู่บนเขาก็เป็นอย่างนี้ยค่ะก็เลยก็ก็ก็ ยังปฏิบัติแล้ค่ะก็ก็มีความต้องบอใช้ควาว่าความสุขก็ไม่พอดีแต่ว่าก็มีความสุขกับการปฏิบัติต้องพอย่างนี้ดีกว่าค่ะ ก, ก็เลยพยายามจะชวนยมแม่เนี่ยแหละคะ่ะอาจารย์ก็พยายามชวนยมแม่ตลอด อ, อย่าชวนมากเชิญตัวเราดีกว่า <laughs> ชวนชวนแล้วแต่ก็ไม่มาก็จบเราต้องคอยชวนตัวเราอยู่เรื่อยืใช่คะตัวเราก็ต้องเนี่ยแหละชวนทุกวัน ใช่อืมก็เนี่ยค่ะวันนี้ก็มีรายงานพวกนี้ไม่ไม่ได้มีคำถามอะไรก็เลยมารายงานความคืบหน้าเมื่อได้ไปปฏิบัติมาอ่ามีจ้ะขอให้เพียรพยายามไปเรื่อยๆนะความเพียรนี่สำคัญมากที่สุดนี่ค่ะน้องนำปฏิบัติบูชาค่ะอาจารย์รักษาสุขภาพนะครักษาด้จ้ะ อ่าคุณจุตตาจุโกเบกับ น, นมาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ไม่มีคําถามเจ้าค่ะมารายงานเจ้าค่ะอ่าก็เลยที่แล้วที่หนูบอกพระอาจารย์ว่าหนูอ่าหนูอ่ามักจะไปเข้ากลุ่มสวดมนต์ภาวนาตอนกลางคืนกับตอนเช้าอะค่ะตอนนี้พระอาจารย์แนะนําว่าเราควรจะไปฝึกปฏิบัติด้วยตัวของเราเองไม่ไม่เอาจิตไปยึดจิบกับกลุ่มไว้อย่างเงี้ยค่ะอืม ผ่ามาหนูก็ไม่ค่อยได้เข้าไปแล้วค่ะพระอาจารย์ mm hmm. ก็พยายามฝึกปฏิบัติเองแล้วก็แต่ก็มีบ้างบางวันนะคะที่แบบคือเราทุกวันเราเข้าไปทุกวันมันก็มีคิดถึงบ้างก็มีที่แบบเข้าไปแล้วก็เปิดฟังเสียงทุกคนสวดมนต์เราก็สวดมนต์ของเราไปไม่ไม่ไปยึดกับเขามากอะคะ่ะการปฏิบัติแบบกลุ่มก็ดีนะคะพระอาจารย์เพราะว่าหนูหนูหนูรู้สึกว่าหนูอยากขอบคุณกลุ่มเขาเพราะว่าเมื่อก่อนหนู เวลาสวดมนุษ์นะคะหนูไม่รู้หลักไม่รู้หลักว่าจะต้องสวดมนุ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่กลุ่มเขาแต่ว่าวันนี้สวดอะไรแลมแลมหนึ่งข้ามสองข้ามก็สวดไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะมีบทสวดที่ว่าต้องสวดทุกวันเลยก็คืออภินาหารปัจเจเวกับกายคาตาสตินะคะพระอาจารย์อืก็ได้เรียนรู้ตรงนี้ไปอะคะ่ะพระอาจารย์ตอนนี้ก็พยายามไม่เอาจิตไปยึดติดกับกลุ่ม พยายามหันมาฝึกของตัวเองมันก็ดีค่ะเพราะว่าเราได้ได้ได้มีเวลาของเราไม่ต้องมารอจนถึงสี่ทุ่มคือที่นี่สี่ทุ่มที่นู่นสองทุ่มนะคะพระอาจารย์หนูก็ได้นอนเล็วขึ้นนะคะอืก็ดีค่ะพระอาจารย์อืมถ้าเบื้องต้นถ้าเรายังไม่สามารถทําตามลำพังได้ก็ต้องอาศัยไปศึกษากับกลุ่มก่กอนแต่พอเราทําเองได้แล้วเราก็ทําเองดีกว่าคะ การปฏิบัติธรรมนี้มันจะคล่องแคล่วว่องไวกว่าถ้าเราทำด้วยตัวของเราเองตามลำพังไม่ต้องมีใครมาเป็นพระพนมพละลด้วยยกเว้นว่าเราจําเป็นจะต้องไปพึ่งเขาเนีย่ยเช่นวันนี้มาเข้ากลุ่มนี้เพื่อมาฟังเทศน์ทำธรรมนี่อันนี้ก็ต้องจำเป็นการจําเป็นแตถ้าเรื่องของการปฏิบัติของเราเองนี่ส่วนมันเองเราสวดคนเดียวได้ไม่ต้องสวนกับคนอื่นก็ได้ นั่งสมาธิแล้วก็นั่งคนเดียวได้ไม่ต้องไปนั่งคนอื่นก็ได้อย่างนี้ทําคนเดียวดีกว่าแต่เอาเขาไหที่เราจะทําคนเดียวไม่ได้ต้องอาศัยคนอื่นแล้วก็ต้องไปเพิ่มก่อนค่ะหนูชอบการเข้ากลุ่มกับพระอาจารย์มากเจ้าค่ะเพราะว่ามันเป็นการเรียนรู้แบบสองทางมีการถามตอบนะเจ้าค่ะส่วนใหญ่ที่ก็จะเป็นเหมือนกับว่าเราเข้าไปแล้วก็ดูเฉยๆอย่างนี้ค่ะหนูชอปปกบอาากปรึกษาเจ้าค่ะยอดดีพยายามทําไป ทั้งทั้งเข้ากลุ่มด้วยทั้งปฏิบัติตามําำัำด้วยนะเจ้าค่ะหนูจะพยายามน้านําไปปฏิบัติเจ้าค่ะขอพระคุณค่ะไปที่คนนุณเน่งตอคนนุณเน่งก็ให้ไปไหนที่เนี่ยไปไหนมาเนไอเช่นเกยหรือเปล่าไอเมืงจีนมาหรอกลาวน้ำสักการค่ะพระอาจารย์หนูก็ฟังอยู่ข้างนอกเจ้าค่ะพระอาอจารย์คะก็จะมารายงานเจ้าค่ะ จากที่พระอาจารย์เคย <c oughs> เคยเคยแนะนําว่าคือหนูเวลาที่ไปทําฟันหรือว่าเวลาที่ร่างกายเกิดความเจ็บปวดอย่างนี้หนูจะชอบหลบเข้าสมาธิแล้วพระอาจารย์ก็แก้ ว, ว่าเ อ, อ่อไม่ให้หลบในสมาธิให้ภาวนาให้จิตสงบเฉยๆแล้วก็ยอมรับความเจ็บปวดนี่หนูทําได้แล้วคะ่ะเพราะว่ามีทําลากฟันสองครั้งแล้วก็มีไปขูถิ่นปูนะคะก็ <c oughs> ภาวนาพุโทโธให้จิตสงบแล้วก็หนูพยายามก็คือคิดถึงว่าเออตอนเนี้ยเร า, าความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อย่างทําฟันเนี่ยหนูก็มองภาพเหมือนกับแบบเหมือนกับฟันจากที่ตอนนี้เป็นอยู่ยังไงแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเห็นแบบภาพเหมือนแบบเหมือนเราเป็นโครงกระโหลกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นฟันเหมือนที่ในภาพที่แบบ อยู่ในโครงกระโหลกค่ะสุดท้ายมันก็มันก็เป็นเป็นเป็นไปเช่นนั้นเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ทำฟันก็ตอนนี้ก็คือปรับว่าใช้คิโทรให้จิตสงบแล้วก็ยอมรับความเป็นจริงค่ะก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะไม่ไม่ไม่ไมไมทรมานแบบอย่างที่คิดว่าอุ้ยถ้าเราไม่อยู่ในสมาธิแล้วเราต้องแย่แน่เลยก็ก็ก็โอเคค่ะพระอาจารย์่็ดีเพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่สามารถเข้าสมาธิได้ บางครั้งบางเวลามันอาจจะทำสมาธิไม่ได้เราก็ใช้ใช้ปัญญาใช้สติเนี่ยคอยกำกับใจให้เฉยเฉยไม่ต้องไปดินน้นรนไม่ต้องไปกลัวยอมรับกับความเจ็บไปมันก็มันก็จะไม่ทุกข์ได้ไม่จำเป็นจะต้องเข้าสมาธิเจ้าค่ะ หนูว่าดีกว่าค่ะเพราะไม่งั้นหนูจะกังวลมากเวลาที่เวลาจะหาหมอหรือเวลาจะแบบเหมือนกับแบบว่าเวลาไปตรวจร่างกายหมอก็จะต้องแบบมีการว่าเออเอาเลือดเราไปหรือว่าลงยาชาต่างๆเนี่ยหนูจะแบบเหมือนกับว่าหนูจะต้องแบบบางทีหนูต้องกำพาอาจารย์เหมือนแบบดึงจิตอะว่าแบบเออใช้พระเป็นตัวแบบเรากำพนะใจติดอยู่กับบทสวดนะอะไรเงี้ยพอตอนเนี้ยพอเราทําใจอ่ะเราไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไร เราแค่ยอมรับมันใจเราสงบแล้วเรายอมรับมันอย่างนี้มันง่ายกว่าเจ้าค่ะใช่นะวิธีดีที่สุดสบายที่สุดเ้ค่ะอีกคำถามหนึ่งเจ้าค่ะพระอาจารย์คือหนูว่ามีกลุ่มเพื่อนสนิทแหละที่เขาฝากหนูทำบุญในแต่ละเดือนนะเจ้าค่ะทีนี้ว่าหนูก็จะเป็นคนทำบุญคือทำคานเนี่ยแหละเจ้าค่ะโอนไปตามสถานที่ต่างๆแบบแล้วก็จะมี แบบยังไงดีคะคือแบบเราดูว่าเอออันนี้ดีนะน่ า, น า, นาทําบุญอย่างเงี้ยคือทุกเดือนเนี่ยติดต่อกันมาเนี่ยจะสิบปีแล้วเจค่ะแต่พอหนูมาเข้าซูมพระอาจารย์น่ะหนูหนูรู้สึกว่าการปฏิบัติมันสําคัญกว่ากว่าการทําทานนะเจ้าค่ะหนูก็พยายามนะตั้งแต่ที่ว่ามาเข้าซูมมาเจ้าค่ะแต่ว่าหนูว่ามันคือเหมือนในกลุ่มอ่ะในเพื่อนเนี่ยเขาก็เหมือนติดเราอ่ะเจ้าค่คะกับว่าเขาบางคนเขาทํางานยุ่งมาก เขาก็คือเหมือนกับว่าเขา่จะต้องแบบเหมือนมาฝากเราทําบุญแล้วเราก็ต้องรายงานเขาแล้วเขาก็แบบอิ่มเอมใจที่ได้ทําบุญแต่ตอนเนี้ยหนูกะว่าหนูอยากจะเลิกในการที่รับเงินพวกเขามาแล้วก็มันเป็นเหมือนหน้าที่อ่ะที่บางทีตอนเนี้ยหนูว่าหนูอยากสงบสง บ, สงบอะเพราะสองสมวันเนี้ยหนูรู้สึกว่าพอจริงๆมันมีอันหนึ่งค่ะหนูคิดได้เลยว่าหนูอยากทําบุญกระถิน แต่ว่าหนูไม่ได้บอกใครหนูกะว่าหนูเป็นเจ้าภาพหนูก็ไปซื้อของมาเรียบร้อยแล้วพอเพื่อนรู้ปุ๊บเพื่อนก็โอเคร่วมพอร่วมปับ๊บเราก็ต้องซื้อของนูน่นนี่นั่นคือการเป็นว่าแทนที่เราจะนั่งสงบเพื่อ น, นั่งสมาธิเราก็ต้องมานั่งเอ๊ะพอมันมีเงินคนอื่นเข้ามาอะจะซื้ออะไรอันนี้เท่านี้นะเธออันนี้เท่านี้ไหมโอเคไหมเออไปวัดนู้นนะวัดนี้นะคือมันวุ่นวายเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่หนูก็สองจิตสองใจบางคนก็บอกว่า เป็นสะพานบุญน่ะได้บุญมากนะมันได้บารมีไปนั่งสมาธิอ่ะมันได้ตัวคนเดียวเลยจะบุญสมาธิมันดีกว่าเยอะเจะ้าบนญสมาธิ น, นี่สําคัญกว่าะอแล้วเราสามารถเอาความรู้จักสมาธิไปสอนคนอื่นได้ได้บุญมากกว่าการทําทําทานดังนั้นถ้าถ้าการปฏิบัติ มันเริ่มขัดกันแล้วเราก็ต้องเลือกแล้วว่าเราต้องเอาบุญที่สูงกว่าเอาเอาสมาธิทาง น, นี้เราก็หยุดได้แล้วทางเป็นเหมือนสะพานเป็นเหมือนขั้นบันไดให้เราก้าวขึ้นสู่ขั้นสมาธิพอเราเข้าสู่ขั้นสมาธิเราก็หยุดการทําทางไปได้ก็คิดเสียว่าเราที่ว่าถ้าเกิดเราตายไปเขาก็เขาก็เราก็ทําอะไรให้เขาไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมเขาก็ต้องทําของเขาเองไปยงค เราก็ทำมาให้เขาอยู่ในระดับหนึ่งที่ว่าน้าพอสมควรกับเวลาแนละ้วที่เราควรจะหยุดได้แล้วเพราะว่าเรามีภาร ะ, ะที่เราจะต้องสําคัญที่จะต้องทำอะทํามากขึ้นสำหรับงานของทางการทําบุญทําทานนี้มันมันหมดมันหมดหน้าที่ของมันไปนแล้วมันส่งให้เราไปภาวนาได้นะเมื่อเราภาวนาได้แล้วเราก็ไม่อยากที่จะไปวุ่นวายไปยุ่งกับใครเจ้าค่ะ มันเกี่ยวกันใช่ไหมคะว่าถ้าเกิดเราต้องคิดเราต้องดูโทรศัพท์ไปนูน่นไปนี่ไปนั่นเนี่ยมันทำํำให้เราหุดงิดทใจเราฟุงา้งซ่านใช่เราก็จะมานั่งสมาธิสงบได้ยากพระอาจารย์หนูจะบอกว่าวันก่อนหนูฝนนันแบบขนาดฝันหนูยังฝันว่านหนูไปทําบุญเลยหนูก็ตลกมากเลยสองรอบแล้วแบบหนูก็คิดว่าวันก่อนมีมีญาติธรรมไปกราบหลวงปู่ทุยแล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาก็มวัวแต่วิ่งหาดอกไม้ไปกราบหลวงปู่ทุยนะเพราะว่า มีคนพาเข้าไปกาบพอไปถึงหลวงปู่ทุยก็พูดขึ้นมาเลยว่าเหมือนเต่าเหมือนเหมือนว่าว่าดอกไม้อะพวงมาลัยอะมันกินไม่ได้หรอกประมาณนีน้เขาก็เล่าให้ฟังว่าเหมือนเหมือนหลวงปู่ทูยรู้ว่าเขา ว, าวุ่นวายมากเลยที่แบบจะต้องไปหาพวงมาลัยดอกไม้มาแล้วหนูก็เก็บเอาไปฝนันเพราะหนูก็ฝากเขาทําบุญกับหลวงปู่ทุย์ไงว่าหนูก็แบบไปเดินที่หน้าวัด ปาทานวิเวกแล้วก็แบบหาของเอ้ยไม่ถูกใจสัทีจะถวายแชมพูรหรือสบู่หรืออะไรแล้วหนูก็คิดตื่นมานเออฝันชอบฝันว่าแบบหาของทําบุญตลอดอยู่แต่ทานทานท า, นทานเนี่ยแหละเมื่อไหร่จะคิดว่าเรานั่งสมาธิสัทีนาอเออถ้าเราไม่ถ้าเราไม่หยุดมันก็ยังติดอยู่นั่นติดบุญที่ต่ำกว่ามันก็ผิดมันต้องไปติดบุญที่สูงกว่ามันติดแบง แบงค์ยี่สิบกับไปติดแบงค์พันเราต้องเปลี่ยนนะต่อนนี้เราไม่ติดแบงค์ยี่สิบเราไปติดแบงค์แบงค์พันดีกว่าฮะแต่แบงค์พันเนี่าเจ้าค่ะกล่าวขอบพระคุณเจ้าค่ะอหนูไม่มีคําถามแล้วเจ้าค่ะอนุโมทนาบุญกับขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆเลยเจ้าค่ะก็ต้องบอกต้องคิดว่าเรื่องการาทําบุญทําทานมันก็เป็นอนิจจังมันก็ถึงเวลาที่มันก็ต้องมีวันสิ้นสุดหนอเพื่อให้เข้าไปหาคนเดียวทำแทนก็ได้หรือเขาทาเองก็ได้ แต่อย่าไปวังกังวลกับคนอื่นมากจนกระทั่งจะทําทให้เราไม่สามารถเจ้าไป้างหน้าได้เจ้าค่ะกลับาขอบพระคุณเจ้าค่ะออื่าคุณเิดมันด็ดได้ยินไหมเกดพาตาลไปทำงานอยู่ที่ไ ห, หนต้องใส่แมสด้วยอ๋อกำลังกลับบ้านครับแยกจากเพ่อหลวงลู่มาพาตาล เสื้อแบตหมดจะแจ้งครับอาจารย์ปวดบ้วก็แบตหมดก็จะเพื่อมันบบจะดับไปก็เขาภาได้จิตชอลายจิตแล้วคนระับอาจารย์วันนี้ก็เลยสืขขอกับเข้ า, ามด า, าดาับอาจารย์ครับโอเคความไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อ่าไม่ได้ค่อยได้ยินใช่ไหมครับมันได้ยินแต่มันเสียงมันอู้ออเพรานเหมือ น, นกับไม่มไม่ชัดท่อยชัดคำ <S <S แต่ก็ไม่เป็นไรพอฟังได้อยู่ครับครับ ไม่มีอะไรครับอาจารย์ก็มาปังธรรมครับก็ขอให้ทาความดีต่อไปตามกาลังของเรานะต่อไปที่อาจารย์พรมวิไลที่ก่มอ่อนต่อนพรหวิไลหลับแล้วเลยอาจารย์การพระอาจารย์ค่ะท่านงินกาลังลุกมาแล้วค่ะกำลังถงใสวันนี้วนนี้ใสมาก เราไปตกหล่นไปอาจาราย์จจสบายดีนะคะย่าสบายดีจ้าค่ะวันนี้ก็มารับฟังค่ะอีกท่านหนึ่งก็รับฟังรับฟังไปเพิมเพิมไปค่ะวันนี้ก็ไม่มีไม่มีคําถามอะไรค่ะโอเคงั้นเรเทนี้ก่อนนะค่ะค่ะสาวุานานเนี่ยอาจารย์มาสักการ์ดไปที่คุณนิสา LA. เอแอลเอเชิญคุณนิสา กลับในมัศการค่ะพระอาจารย์ก็ลูกก็ไม่มีคำถามค่ะพระอาจารย์มาร่วมรับฟังค่ะยังน้อมนําปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์พยายามปฏิบัติพยายามยึดอย่าท้อถอยนะพยายามพยายามผักดันให้มันมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆค่ะไม่ท้อถอยค่ะตารางยังเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์ S <S ยิ่งมากจริงยิงย่งดียิ่งน้อ ย, ยิไม่ดีค่ะาค่ะอาจารย์น้อมนําปฏิบัติมีว้าวุ่นบ้างนิดหน่อยค่ะพระอาจารย์เพราะว่าตอนอยู่ในสมาธิมีแบบมีบางวันที่มันมันเป็นสมาธิที่ไม่เป็นธรรมชาติค่ะพระอาจารย์คิดคิดว่าแบบเอเราอยู่อยู่แบบชาติไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็เลยแบบมีฟุ้งนิดหนึ่งค่ะพระอาจารย์อ่าไม่ต้องไปสนใจมันอยู่ขั้นไหน ค่ะรู้ก็เรามีสติอยู่กับพุทโธและอยู่กับลมท่านนั้นที่สำคัญค่ะค่ะพอพอคิดอย่างนั้นเสียงพระอาจารย์ก็จะขึ้นมาเลยค่ะว่าไม่ให้สนใจอะไรเลยให้ทำให้ให้ดูลมไปเรื่อยๆค่ะก็ก็ดีขึ้นค่ะพระอาจารย์การลมมันจะพาเราไปทุกขั้นเองขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามขั้นสี่มันจะไปเองพระอาจารย์โอ้โอ้ พอเข้าเกียร์ดีแล้วมันก็ไปของมันเองเปลี่ยนเกียร์ใ้ค่ะอาจารย์ค่ะเพราะก่อนหน้านั้นลูกก็ไปวาวุ่นไปดูแบบดูคลิปไปอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยไปเสิร์ชกูเกิ้ลเยอะแยะเลยค่ะว่าแบบชานมีกี่ชานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยพอขันกลับมาคิดบอกพอเข้าสมาธิแล้วรู้สึกว่ามันสงบมันนิ่งแต่ว่ามันมันเหมือนมันมันแบบ นิ่งแล้วก็ฟุงซ่านอีกนิ่งแล้วก็ฟุ้งซ่านแล้วก็เลยรู้ตัวเองเลยค่ะว่าเราไปหมกมุ่นกับตรงนี้เนี่ยค่ะแล้วก็เสียงพระอาจารย์ก็ขึ้นดังขึ้นมาว่าอย่าไปสนใจอะไรให้ให้ดูลมหายใจไปได้เรื่อยๆอะไรกิจะเกิดก็ให้รู้ตลอดเวลาแล้วถึงตอนนั้นเราจะรู้เองว่าอะไรมันจะสงบยังไงอะค่ะพระอาจารย์อออยู่รู้ลมอย่างเดียวยังหรือไม่ต้องไปสนใจสาธุพระอาจา<ช Leah> <C isions> รย์ ก็จะมีบางจุดที่มันจะแบบเหมือนลมจะขาดนะคะพระอาจารย์คือมันเหมือนมันจะให้มันขาดไปเลยมันจะรู้ว่าตกมันจะทิ้งลมมันจะปล่อยลมมันก็จะมันจะขาดใจไปปล่อยมันขาดไปไม่ตายไม่ต้องกลัวค่ะพระอาจารย์อันนี้ต้องไปต่อยังไงคะก็คือรู้รู้มันไปเฉยๆคือรู้จะติดตรงนี้ยค่ะครู้ตรงความนจริงมันจะขาดก็ปล่อยมันขาดไปแล้วก็รู้เฉยๆไป ค่ะอาจารย์ลูกพยายามค่ะลูกจะไม่จะพยายามไม่ตกใจแล้วก็จะพยายามปล่อยลมมันไปอะค่ะอาจารย์ปไมันจะอยู่ว่าอยู่มันจะหายก็หายไปไม่ต้องกังวลคือค่ะพอาจารย์ไม่ต้องสนใจว่ามันจะรวมไม่รวมไม่ต้องสนใจอะไรเลยทั้งสิ้นใช่ไหมคะให้รู้เฉยๆค่ะพระอาจารย์เคค่ะจะน้อมนําปฏิบัติค่ะกราบขอพระภูมพลพระอาจารย์มากๆค่ะที่จังสอนลูกค่ะขอให้พระอาจารย์าตขันแข็งแรงนะคะ กัรที่เป็นมาลีพุทธากาศเป็นยังไงการหลวงพ่อค่ะก็ไปอยู่วัด<ต>มาศึกษาวิจารณ์หลวงพ่อดีไหมดีค่ะแล้วก็พอกลับมายิ่งยิ่ดีใหญ่เลยค่ะหลวงพ่อมันพอปฏิบัติแล้วอะค่ะ เหมือนสติอะมันจับอยู่ที่ลมมันจับอยู่ที่การเต้นของหัวใจแล้วก็เหมือนเขาไปสติมันจับอยู่เนี้ยค่ะหลวงพอมันเหมือนความคิดเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเข้ามาเหมือนเหมือนว่างอย่างเงี้ยข่ะหลวงพอมันมันคิดไม่มีความคิดอะไรแทรกเข้ามาแล้วพอเรายิ่งยิ่งดูไปในความว่างไม่มีคิดอะไรอย่างเงี้ยข่ะหลมันรู้สึกว่า เหมือนอยู่อีกโลกหนึงเลยค่ะหลวงพ่อหนูอธิบายนิสุขมันมันอยู่ในอวกาศมันอยู่ในอวกาศว่างเย็นสบายหนูรู้สึกว่าเป็นแบบนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วก็อยู่นั่งมีสติอยู่ตรงนั้นสามชั่วโมงแบบแบบสบายสบายอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันแล้วพอออกจากตรงนั้นมา หนูก็มาคิดคิดว่าไอ้ที่อาการ32อะพอ mm hmm. พอเรามาแยกเป็นเป็นผมเป็นขนเป็นอะไรเนี้ยค่ะหรือเพราะมันมันเหมือนเหมือนอะไหล่ชิ้นส่วนเหมือนสิ่งที่มาประกอบเป็นตัวเราเนี่ยค่ะแล้วก็ามาดูที่ใจเราก็ไม่มีจิตเราก็ไม่ได้ไปอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันเหมือนตื่นจากอะไรก็ไม่ทราบค่ะหรเพราะมันพ๋อ ถ้าถ้าเรามีปัญญาพรเนี่ยมันมันเห็นความจริงเลยค่ะหลวงพ่อว่าเออเราไม่ควรที่จะไปเรียกว่าอันนี้ของเราตัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลมันมันเหมือนมันตื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อว่าเอ้จริงๆเนาะเราไม่ไม่มีอะไรที่ที่มันเป็นของเราเลยอ่ะค่ะหลวงพ่อรู้รู้คิดคิดแล้วมันก็เก็นแบบนี้ค่ะหลวงพ่อก็ปล่วางถ้าไม่มีอะไรเป็นของเราเราก็ปล่อยวางอย่าไปถือว่าเป็นของเรา ค่ะมันพอเห็นแบบเนี้ยมันเหมือนตื่นตื่นจากอะไรสักอย่างที่เราเราเรามองไม่เห็นนะคะเตื่นจาก<อ>ความหลงตื่นจากความหลงตื่นจากความมื่นร้อนแล้วถ้าพออย่างนี้ยมันเหมือนเรามีกําลังใจที่ในเวลาว่างเราอยากจะเข้าไปปฏิบัติไปปฏิบัติแบบเนี้นะคะ่ะหมออยากไปนั่งอยากจะเดิน พอนั่งมากๆเนี้ยหนูก็ลุกมาเดินมาเดินด้วยค่ะหลวงพ่อเอาสลับกันสองอย่างอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อแล้วก็ดเดี๋ยววันวันเสาร์เนี้ยค่ะ21หนูจะไปขึ้นเขาอยู่จนถึงวันที่29อะค่ะหลวงพ่อถึงประมาณ89วันเอดีดีมา ก, มากจะไปขอค่ะหลวงพ่อ จะไม่จะไม่หยุดค่ะหลวงพ่อ <S <S มัน <S <S มันเห็นแล้วก็มีคนมาถามมาชักหนูว่าทําไมหนูเปลี่ยนไปทําไมดูมีความสุขทําไมดูแบบไม่ทุกข์อะไรเงี้ยคะ<ม>่ะหลวงพ่อหนูก็ยิ้มยิ้มไม่ได้ไม่ได้บอกอะไรคะ่ะหลวงพ่อมันมันทําให้เราเปลี่ยนได้คะ<ม>่ะหลวงพ<ม>่อก็วันนี้มีรายงานค่ะรายงานหลวง<ม>พ่อประมาณนี้คะ่ะดีมาก พยายามทํำไปเรื่อยๆใกล้ใกล้ไปเรื่อยๆนะ<ต>เดี๋ยวก็กเดี๋ยวก็หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงีรู้สึกหนูรู้สึกหนูดีใจค่ะหลวงพ่อแล้วก็มีโอกาสเมื่อไหร่หนูจะไม่ปล่อยไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดค่ะงพ่อหนูจะต้องไปหนูจะต้องเก็บจะไม่ทิ้งค่ะเอคาวิเศษไปทิ้งก็ง้อละค่ะหรอ มีบางคนมาถามว่าแบบเป็นอะไรทำไมแบบเปลี่ยนไปอะไรอย่างเพระพุทธเจ้าบอกให้ทิ้งเงินทองทิ้งอวัยวะทิ้งร่างกายทิ้งชีวิตแต่ไม่้ทิ้งธรรมให้รักษาธรรมไวอ่าแต่ก็มีมีคนในครอบครัวบอกไม่อยู่ไม่อยู่เลยเหรอไปอีกแล้วเหรอไปอีกนคือไปตลอดถ้าไม่ได้ไปอยู่วัดแต่ว่าหนูก็ วันวันหยุดอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะไปไปที่วัดเหมือ น, นไปไปถามธรรมะไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพนจะไปะแบบเนี้ตลอดไปเข้าหาบัณฑิตอย่าไปเข้าหาคนพานคนพานเขาไปช้อปปิ้งกันบัณฑิตเขาไปว่าเข้าไปวัดกันอ่าหลวงพ่อแต่ว่จะไม่มีใครครบแล้วค่ะหลวงพ อ, อไม่ต้องคบหรอกคนพานนั้นนหละนะ โอเจบว่าอยากอาเสวนาจะบาลานังบัณฑิตานั่นจะเสวนาอย่ากคอบคนพานให้ครบบัณฑิตบัณฑิตอยู่วัดคนพานอยู่แต่ว่าสวนขันค้านคนพานนั่นเป็นงอกคนไม่ฉลาดเขาเขาก็มาแซวบอกว่าทําไมเดี๋ยวเนี้ห้างเพิ่งก็ไม่ไปทําไมชอบไปแต่วัดอะไรเนี่ยคะแต่วัดมีบัณฑิตห้างไม่จ่คนพานเขอกไม่กล้า วเราไ ป, ไปคุยกับคนที่อยู่ก็บอกซื้อนั่นซื้อนี่สิอย่าง้นอย่างนี้สิไม่เลยบอกว่าเป็นทุกข์เลยถ้ามันดิดเนี็ยบอกว่าขอองานนี้เป็นทุกข์นั้งอย่าไปมีมันค่ะหลวงพ่อเดี๋ยวเดือนเดือนนี้ที่หนูไปขึ้นเขาเสร็จแล้วเดือนพศฤศจิกาก็ตั้งใจว่าจะไปอีกค่ะที่วัดที่วัดป่าค่ะหลวงพ่อหนูก็จะไปที่ ไปได้เท่าไหร่ยิ่งดีปลีกวิเวกกันดีที่สุดการปิดวิเวกเนี่ยเลิกที่สุดออไปไปเพื่ อ, อขัดใจตัวเองไปเพื่อทําให้เราตื่นนะะ่ะค่ะหลวงพ่อแล้วกลับมาก็ได้ดู้สึกดีมากม ด, ดีมาก <ไป S 1> อ่าครูจารของพรคุณของพอ่สสสอสาธุค่ะอ่าไปที่คุณสุรินทร์ธานธานเมริแลนด์น นักการะอาจารย์เจ้าค่ะเมื่อกี้ฟังพระอาจารย์เรายังยงก็แอบขำว่าเออสงสัยเราไม่มีคนคุยด้วยเลยสงสัยเราเป็นคนเดียไม่ใชยมีคนคบก็วันนี้ยองก็มารับฟังธรรมมาค่ะพระอาจารย์คือเมื่อเช้าตื่นขึ้นมาเราตื่นเต้นว่าอุ้งวันนี้วันพุธเราจะต้องทําความดีวันนั่งเดี๋ยวจะต้องมาเล่าให้พระอาจารย์ฟังก็นั่งสมาธิอ่ะค่ะ นั่งสมาธิเสร็จแล้วก็ทําบุญบริจาคทําบุญเรียบร้อยเราก็รู้สึกว่าโอ้วันนี้เราจะต้องทําให้เต็มที่เลยเดี๋ยวพราะอาจารย์จะต้องภูมิใจ mm hmm. ปรากฏว่าเปิด <laughs> คอมพิวเตอร์มาทํางานเจออีเมลเพื่อนร่วมงานก็ mm hmm. <laughs> รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วมันไม่มีอุเบกขาแรค้ค่ะพระอาจารย์ <laughs> ก็อดทนค่ะทําก็ฟังฟังจากเพื่อนๆคนอื่นๆที่เมื่อกี้มีพระอาจารย์สั่งสอน mm hmm. ก็รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วคะ่ะยอมดึบเดื อาจารย์ออาว่า <c oughs> ทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวั <c oughs> <พ>านหนึ่งเรากต้องทิ้งมันหมดดีไปไปให้ค่ามันมากเกินไปทไ <c oughs> ําไมค่ะก็มันมีอัตราค่ะ อ, อาจารย์ เ, เหมือนกับว่านี่มันงานของเรานะเธอจะมาแยกงานเราหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่เธอนะออแต่พอนั่งคิดอีกทีเออดีเอาไปเถอะเขาเอาไปทําได้ดีิเราจะได้ไม่ต้องทำสลายกว่า ค่ะพรค่ะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะเข้ามากราบท่านพระอาจารย์ค่ะก็ฟังธรรมค่ะกราบขอบพระคุณนะคะคุณจีวันนี้เข้ามาแล้วเปล่ามันยังไม่เห็นนะเมื่อกี้เท็กซ์มาบอกว่าเข้ามาแล้วค่ะเข้ามาแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะดอาจจะอยูเดี๋ยวอสองก็ได้ค่ะพระอาจารย์ค่ะขอให้พระอาจารย์แข็งแรงนะคะแล้วก็ตักันค่ะพระอาจารย์อยอมหยุดเย็นนะอย่าไปทะเลาะกับใครก็ไม่ค่ะอยู่เข้าไป กับขอบพระคุณค่ะอไปที่นโมกับคุณยายคุณยายนโมพ่อธรรมอวสการครับอาจารย์ห่างหายกันไปนานหลายอาทิตย์ครับผอไปไหนมาเลยก็ทุกครั้งที่จะเข้าสู่มรดามันดามีมารมาผจญทั้งนั้นยจะมีเครื่องเวลาไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวมมีมารขัดขวางเลยนะ <łość> <Harriet> ไฟแดงก็ด้แล้วครับไฟเขวไฟเขียวผ่านตลอดเลยพอจะมาทําความดีขนาดมีแต่ไฟแดงจะซีเรียสเต็มค่ะแบวก็ตั้งใจกับคุณยายว่าสนิทดีบ่าเออเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวสู้มาจารย์เดี๋ยวสู้มาจารนพอถึงเวลาอ้าว ติดนู่นติดนี้ติดนะคุณยายก็น่ารักคุณยายก็บอกไม่เป็นไรรอได้รอได้ อ, ไดอาชีพนี้เหล่ยไม่ได้แล้วต้องต้องเข้ามาหาพระอาจารย์แล้วไม่งั้นยายยายว่าแน่แนแนๆเลยกาจะดีแล้วตอนะนี้มีคุณยายเป็นคนดึงเราแทนที่เมื่อก่อนที่เราดึงคุณยายแล้วนี่คุณยายก็มัาดึงเรามีมีสองคนช่วยกันมันดีกว่าอยู่คนเดียวครับ <laughs> พระอาจารย์ครับคุณยายเก่งมากเลยครับผมไม่ดูทีวีเลยวันพระอ่าดีดีมากสองครั้งสองสองสองครั้งที่แล้วคุณยายไม่เปิดเลยครับอดใจไม่เปิดเลยต่อไปอาจจะไม่อยากเปิดอะไรก็ได้วันนี้คุณยายจะมาขอลดทอนนะจ๊ะพระอาจารย์ครับผมขอลดทอนจากวันพระไม่ดูเลยเป็นในวันหนึ่งดูให้น้อยลงโอเค เราพยายามทําเท่าที่เราจะทาได้ไปก่อนก็นแล้วกันเราบบพยายามฝึกสมาธิั้งนั่งสมาธิได้ต่อไปเราจะไม่อยากจะทําอะไรนั่งสมาธิดีที่สุดก็ส่วนมากก็<ม>นั่นอยู่นะคะ้ายพระท่านอยู่นะคะอทําทไปเรื่อยๆทําให้มากขึ้นบบเดี๋ยวเดี๋ยวพอ ม, บบมาเจอปัญหาด้วยนะคะวันนี้นะคะ่ะที่ที่เขาจะมี ทีวีที่อทศนาร์พระอาจารย์ไปหลงครับผมคือที่วันนี้เลยค่ะก็ตอนกลางวันตีโค่ฟังกับท่านเลยครับครับอาจารย์วันนี้ก็มาส่งสภาวะเล็กๆน้อยๆครับอาจารย์ว่าจริงๆเราตอนแรกเราเล่นไปกับอสุภาแล้วแล้วก็เราก็เล่นไปกับโครงกระดูกซึ่งพอ ฝึกไปฝึกมามันกัน็นว่าเออเราก็สนใจน้อยลงละ้านแบบผู้หญิงอะไรนี้คราวนี้มาเจออีกว่าโหวันนี้ครับอาจารย์ผมเรียนหนังสืออยู่เพื่อนผู้หญิงก็จะโอยมาแบบอยู่ร้องคุยเมาส์กันสนุกสนานเฮฮาเรานี่แบบดูไปก็เบื่อหน่ายไปอาจารย์ว่าโอ้ยเนาะ เออมันมันไม่มีความน่าสนใจมันมันมีแต่ความน่าลำคาญมันมีแต่ความน่าเบื่อหน่ายครับผมก็จะผมเลยแบบว่าเออเออลองคิดดูนะนี่แค่เป็นเพื่อนยังน่าลำคาญขนาดนี้นี่ถ้ามีแฟนนี่ผมคงโน่เหนื่อยกว่านี้เลยก็เลยก็เลยคิดกับตัวเองว่าเออหรืออาจจะแบบว่าไม่เราลดความสนใจมากเลยครับจากแต่ก่อนนี้มันเฉยๆตอนนี้มันก็แบบ อืมอ่ายิ่งแบบไม่สนใจเข้าไปอีกอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็ต้องคอยสังเกตไปเรื่อยๆเพราะมันให้ตัวนี้มันไายการที่มัน <c oughs> เดี๋ยวมันจากเบื่อมันเดี๋ยวก็เบื่อไปทั้งข้างเดี๋ยวมันอาจจะกลับมาอยากขึ้นมาก็ได้ <c oughs> อย่าเพิ่งไม่ดีใจอย่าเพิ่งไม่ดีใจเน่ยครับก็คือ <c oughs> ไ, ปไปศึกษามาครับผมอาจารย์ว่า โอ้กว่าจะละตรงนั้นได้โอ้มันต้องพราอนาคามีเลยเราโสดาบันเรายังไม่ได้เลยครับอาจารย์อย่างนั้นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปสรุปว่าโอ้ยเราระได้แล้วดูไปนานๆนะ <laughs> ดูไปยาวๆครับผมก็ยังยังไม่ละครับผมก็ยังต้องฝึกทั้งโคงกระดูกทั้งอสุภะครับผมแต่ตอนนี้มีไปฝึก เรื่องพิจารณาไตรักอย okay. ู่ครับผมอาจารย์ก็จะเห็นการอาการเกิดดับของสรรพสิ่งอยู่หนึ่งครับผมอาจารย์ก็รู้ทุกอย่างมีมีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาโอเคทีเท่านี้นะฝ่ายอาจารย์ทกรแกแล้ครับอาจารย์สายทิพย์ขอนแก่นนนี้ด้วยสารกาว แก้นมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอยู่ขอนแก่นค่ะกลับ <g rab ble> มาบ้านค่ะวันนี้แวะไปเยี่ยมคุณป้าได้ค่ะพระอาจารย์ป้าโดนตัดไอ้ฟันฟันไม้แล้วไม้กระเด็นเข้าตาเกือบจะมองไม่เห็นอืแต่วันนี้หนูผ่านเห็นคุณแม่ตั้งห้าวันเลยค่ะพระอาจารย์มา <g rab ble> หาบ่อยมากก็เลยเอ๊ะอะไรหรือเปล่าแต่ก็ไม่ไม่เป็นไรวันนี้ไปเยี่ยมคุณป้าแล้วก็เจอเจอลูกสาวคุณ คุณป้าแกบอกว่าแกวุ่นวายเรื่องมีคู่ค่ะพระอาจารย์แกบอกว่า<ม>ชาตินี้แกอธิฐานว่าเกิดชาติหน้าขอขอไม่แต่งงาน<ม> <laughs> หนูก็เลยแสว่าโอ้สงสัยชาติที่แล้วหนูคงจะอธิฐานไว้อย่างนี้ละมั้ง<ม> <laughs> หัวเราะกันใหญ่ค่ะพระอาจารย์ อ, อช่วงนี้นั่งสมาธิค่ะพระอาจารย์สังเกตว่าตัวเรานิ่งมากเลยค่ะพระอาจารย์เหมือนแบบแล้วมันก็มีแค่ลมหายใจตัวมันจะแบบ นิ่งเหมือนไม่ไม่รู้สึกอะไรแล้วไม่เจ็บไม่ปวดด้วยค่ะพระอาจารย์แต่ว่านั่งได้ไม่นานเท่าไหร่ได้แค่ชั่วโมงสิบห้านาทีแต่ก็ดีกว่าเดินไม่เป็นไรลุกขึ้นมาเดินต่อนะเดี๋ยวกลับไปนั่งใหม่ลุกเลยค่ะอาจารย์ไม่ทำอะไรต่อไม่เดินไม่จนคนไม่ชอบเดินจงกรมเลยค่ะพระอาจารย์ถ้าจะให้ลุกขึ้นเดินนั่งต่อดีกว่า ก็ลุกขึ้นมายืนก็ได้ถ้ามันไม่ก็ลุกขึ้นมายืนแล้วค่อยนั่งใหม่ใช่ไหมค่อยนั่งใหม่อื<ช>มค่ะตอนเช้าวันวันนี้หรือเมื่อวานหนูหนูลืมละอ่า YouTube ธรรมะเปิดขึ้นมาเองค่ะพระอาจารย์หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราไปกังวลเรื่องของออนาคตค่ะพระอาจารย์ว่าเราจะบริหารชีวิตบริหารเงินยังไงวุ่นวายกับความคิดการวางแผนแล้วก็ไม่ทําสมาธิค่ะพระอาจารย์<ม>แล้วก็ พอพอเรามันมันพอหลายๆวันเทพธรรมะ YouTube ก็เลยเปิดขึ้นเองเราก็เลยอตายแล้วห น, หนูก็เลยนั่งสมาธิในวันนั้นค่ะพระอาจารย์หลงไปกับความกังวลใจอโอเคมีอะไรไหมหนูไปเมื่อเชา้าเปิดหนังสือเรื่องกรรมฐานสี่สิบค่ะพระอาจารย์บทแรกเขาพูดเรื่องของตัดกังวล ก่อนที่จะทำสมาธิหรือว่าปฏิบัติหนูก็เลยเหมือนแบบ อ, อ้อจริงด้วยความกังวลมันดึงเราทำให้เราปฏิบัติยากขึ้นค่ะพระอาจารย์ก็เลยเรียนถามพระอาจารย์ว่าตรงนี้เราจะจะปฏิบัติหรือว่าจะแก้ไขยังไงดีค่ะความกังวลก็ต้องมาว่าทุกอย่างในโลกนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนเป็กนกังวลก็ทาอะไรไม่ได้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดใช่ไหม เราไปกังวลกับดินฟ้าอากาศอะไรแบบนีไม่กังวลไงเพราะเรารู้เราทําอะไรมันไม่ได้ใช่ไหมอ่าคนจะตกแดดจะออกมันถ้าต้องตกของมันไปมันคนจะเป็นคนจะตายมันก็เหมือนกันอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดตคนหลังให้พรมเพนเคชลาเซลาเคยได้อยินไหมเคยอ่ะอ่านั่นแหละแปลว่าอะไ whatever will be will be ใช่ไหมค่อะไรจะเกิดก็เกิดก็ทานั้นเองค่ะ มันก็จะหายกังวลอะไรจะเกิดก็ก็ต้องเกิดอ ะ, อะจะไม่เกิดก็ไม่เกิดคะค่เหมือนเร า, าแบบเกีไ่ได้ค่ะเยียบเรือทางโลกเยียบเรือทางธรรมมันก็เลยเหมือนแบบพอจะไปพอจะทำนี่ก็เอ๊ะแล้วตอนอายุมากขึ้นจะมีเงินพอใช้ไหมอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ เหนก็เลยเอางั้นมาคํานวณเงินก่อนพอํานวณเงินสมาธิหายไปหมดเลยค่ะพระอาจารย์อยู่กับเรื่องเรื่องนี้ก็ไปอยู่วัดสมุนเรื่องไปวัดเป็นแม่ชีไปล้างไปล้างส้วนไปทําเป็นอาชีพแม่ครัวไปก็ไม่ต้องคำนวลเรื่องเงินละมีที่อยู่ฟรีกินฟรีละค่ะเหลือแค่ทางบ้านไม่อนุญาตก็ชีวิเคราเราข้ามานอนุญาตเราได้ไง เราจะไปแต่งงานแต่งผัวเราต้องขออนุญาตเขาหรือเปล่านะใช่ไหมเวลาจะไปมีผัวนี่เขาจะอนุญาตมาอนี้แล้วก er ็ไม่แคร์ใช่ไมเวลาไปวันต้องต้องให้ก้อนอนุญานเราด้วยก็ก็คิริของเราแล้ก็คิริของเราไม่ยอมไปมันก็เลยอ้างไมกล้าไปเองใช่ไหมค่ะอาจาแต่วันนี้ก็คุยๆกับคุณพ่ออยู่ค่ะว่าคุณพ่อเรื่อง ่คุยเรื่องที่สัปปายะอะไรเงี้ยคุณพ่อบอกที่ไหนก็เหมือนกันนั่นแหละอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้วันนี้เลยแซวคุณพ่อว่าแล้วไปอยู่บ้านสวนทําไมคุณพ่อเลย <laughs> อยู่ที่ไหนก็เหมือนกันแล้วจะไมปบ้านสวนทําไมอะไรเงี้ยพ่อก็อะไรเงี้ <laughs> ยค่ะพระอาจารย์อยู่ที่บ้านาดีที่สุดถ้าจะเป็นนักปฏิบัตินะ่ะมันพร้อมกว่าทุกอย่างอาหารก็พร้อมอะไรก็พร้อมไปหมดไม่ต้องกังวลเรื่องทำอาหากินหาเงินหาทอง ทีนี้มีวัดแล้วก็สถานปฏิบัติธรรมของแม่ชีค่ะพระอาจารย์ตรงไหนจะดีกว่ากนแล้วแต่วัดก็ได้มันแล้วแต่แล้วเราก็ต้องไปทดสอบดูไงไปลองผิดลองถูกดูที่ไหนดีกว่ากันแล้วก็ไปเลือกที่นั้นนดงจนกว่าจะใช่ใช่ไหมคะใช่ใช่ไปวัดถ้าอย่างเราไปแล้วแล้วก็เออถ้าเออนี่ก็แปลว่าไม่น่าจะใช่เท่าไหร่ก็ยังไม่รู้อ่ะต้องไปอยู่ก่อนถึงจะรู้ค่ะ ค่อยๆค่อยๆหาเวลาค่อยๆไปเรื่อยๆช<ล> <ไป S 1> ว น, นเอนนงก็ไม่อยู่ที่ว่าอยู่ที่เราเราจู้ชี้จุกจิตหรือเปล่าถ้าเราจู้จีอ้อยู่จริงนี่อาจจะเจอที่ไหนก็ไม่ถูกใจเราเลยทีค่ะอย่างเช่นเราคิดว่าเอ๊อย่าง<ม>แบบเหมือนแบบท่านจะสอนเราได้ไหมอะไรเงี้ยเป็นความคิดที่ไม่ดีไหมคะพระอาจารย์ก็ต้องไปลองดูก่อนห้ท่านสอนเขาได้ไหมเราจะไปรู้ได้ไงเมื่อยังไม่ได้ไม่ได้ไปเรียนจาบท่านดู ก็ต้องไปลองดูก่อนออไปหลายๆวันก่อนไปหลายหายครั้งก่อนใช่ก็ไปไปหลายครั้งไปหลายรอบไม่ใช่ไปครั้งน้าเราจะได้ข้อสรุปเลยบางคนก่อนจะลงใจเนี่ยอาจจะเป็นปีสองปีอะไรก็ได้ไม่แน่ลงใจนั่งข้งเราแล้วเขาด้วยเขาก็จะเอาเราหรือเปล่ามันก็อย่างนีงด้วยไม่ใช่ว่าเราจะเราจะเขาเขาจะเอาเราหรือเปล่าใช่ไหมคะใช่เขาอาจจะไม่เอาเราเขาได้ นี่เรื่องมากไปมันก็เหมือนการแต่งงานอะทั้งเขาทั้งเราก็ต้องลงใจกันใช่ไหมยอมกันค่ะไปอยู่วัดก็เหมือนกันอะไปอยู่ว่ากับคนไในวัดกับเราเขามองเราเป็นคนใหม่เพราะว่าต้องมองแล้วเราเป็นอะไรอยู่เขาได้หรือเปล่าอะไรเพราะว่าต้องมองเราก็ต้องมองเพาเราไปอยู่กับเขาได้หรือเปล่าค่ะก็คือท้ายสุดไปอยู่เราใช่ที่สัตยาที่เหมาะที่จะทําได้ไหม ก็ทัานก็ทั้งอย่างทุกอย่างมันลงตัวหรือไม่แะสําริมง่ายๆคืออยู่วัาน่ะมันดีกว่าอยู่บ้านอยู่บ้านต้องพึ่ตนเองต้องหาเงินหาทองเรี้ยงปาเลี้ยงท้องถ้าไปอยู่วัดนี่เราก็ไม่ต้องกังวลกับเรื่องเงินเรื่องทองอือค่ะอาจารย์เดี๋ยวค่อยๆค่อยๆมีเวลาค่อยๆไปไปอัปเตอร์ไม่มีเดี๋ยวมึงค่อยเวลาไม่ค่อยใครเนาะ หนูซื้อชุดเขาแล้วก็แพ็กไว้แล้วนะคะนนะ อ, อเมื่อจะไปส<อ>ักทีเราก็อยู่ค่ะได้ค่ะรายการาง่า ย, ายๆคือเราไปอยู่ที่ไห น, นแล้วเราทำตัวเป็นแจว่าก่อน่าจะอยู่ได้ง่ายถ้าไปเป็นตัวเป็นหญิงคุณหญิงคุณนายไปอยู่จะอยู่ลําบากน หนูหนูไปอยู่ได้อยู่ค่ะพระอาจารย์ถ้าถ้าที่ไปอยู่ที่อื่นก็เขาก็เอ็นดูอยู่ค่ะเพราะเราไม่ใช่คนไม่ใช่คนเรื่องมากค่ะพระอาจารย์อย่าไปเป็นคนเรื่องมากจุ้จี้จุกจิกอย่าไปถือตัวได้งานเขาทุกอย่างเราให้ทํำล้างส่วมก็ล้างก็จะให้ทําอะไรก็ทําค่ะก็จะเป็นการทดสอบเราว่าเราจะอยู่เขาได้ไหมแล้วพออยู่กันได้แล้วเขาก็บงครเขาก็มามาอยู่กับเราแล้วเรม อ<ช>ตอนต้นนี้ยเขาจะต้องดูนิสัยใจคอแล้วว่าเป็นยังไงว่านอนซอยง่ายหรือไม่จุ๊จีจุกเจ๊กหรือเปล่าถือเนื้อถือตัวหรือเปล่านี่เป็นสิ่งนี้เขาจะต้องคอยเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นอุปสปรคต่อการอยู่ร่วมกันก็คือเราต้องต้องตัดหัวโขนทุกสิ่งทุกอย่างอืดินหมือน เหมือนถาเจอกันห้าเจอกันเราไปเป็นแจวไปรับใช้เขาไปเขาอยู่รับใช้เขาค่ะตอนแรกหนูเกือบตอนตอนตอนนี้หนูตอนแรกตัดสินใจค่ะว่าว่าถ้ามีวันว่างจะปฏิบัติที่ที่คอนโดค่ะพระอาจารย์ถ้าอย่างนี้ก็เดี๋ยวไปวัดดหนูตัดสินใจแล้วนะอยู่ที่คอนโดน่าจะปฏิบัติได้นานกว่านั้นเนี่ยไม่ต้องขับรถ กันเดี๋ยวเดี๋ยวไปวัดค่ะพระอาจารย์พอคนดมันก็ดีอย่างแต่มันมีค่าใช้ใจ่ายเหมือนกันถ้าเรามองระยะยาวเนี่ยเหมือนถ้าเราคิดว่าเราจะออกไปจริงๆ<น>ก็ต้องไปหา<น><น>ที่ไปเรื่อยๆที่มันจะใช่ในที่สุดการบวชดีที่สุดถ้าจะถ้าจะว่าจะเป็นเป็นทางหรือทางเลือกของเรานะปฏิบัติแบบคารวายกับปฏิบัติแบบนั่งบวชเนี่มันนักบวชแบบพร้อมกว่า ก, ก, กันเนยอะ ตอนตอนเราคิดเหมือนญาติโยมเนี่ยเหมือนกันเนี่ยเราก็ไม่อยากจะบวชเ้วก็อยากจะอยู่ของเราอิสระนี่เงินมันหมดมันอยู่มันทำอะไรไม่ได้มันก็ต้องไปพึ่งวัดทท้งนั้นน่ะถ้า <laughs> ยังมีเงินอยู่แเราก็คงยังไม่ได้บวชแบบนี้น่าจะหวงเงินอีกอ่วเงินล้วจะใช้เงินอีกใช่ถ้ามันมีเงินก็มันก็กลายเป็นกิเลสไปมันก็เป็นตัวผูกเรา ว่าเราไม่มีเงินแ้วเราก็ต้องปรับตัวเราไปอยู่กับคนอื่นแล้วก็ไปปรับใจรับคําสั่งคําสอนของคนอื่นของครูบาอาจารย์ได้ค่ะอ่ค่ะแต่หนูอาจจะเก็บเงินไปก็ส่วนเก็บก็ก็ช่างมันเก็บก็ได้แต่อย่าไป็นกังวลกับมันถ้ามันต้องใช้ ก, ก็ก็ทําบุญไปที่ให้ใครไปก็ได้ะเก็บไว้สํารองไว้เผื่อถ้ามันยังต้องพึ่งมันอยู่ก็ยังใช้ได้อยู่แต่พยายามพยายามลดความความจําเป็นในการที่ต้องพึ่งมันให้มากที่สุด กระทางไม่ต้องพึ่งมอะไรได้ยินดีค่ะนี่เร า, เราตั้งแต่เราบวชมาเนี่เราไม่เคยกังวลเรื่องเงนเรื่อทองเนี่ย ม, มีกินทั้งวันมีที่อยู่สบาย <c oughs> ปฏิบัติได้เต็มที่ตลอดเวลาค่ะเออเราก็โง่เราตอนแรกเราก็โง่ไม่อยากจะบวชไม่รู้ว่าบวชมันดีจะตายถ้า <c oughs> ได้อยู่ <c oughs> ได้ยืน ไ, ได้อยู่เข้ากลุ่มของคนที่เข้าปฏิบัติกัน เราไปเจอกลุ่มที่เขาปฏิบัติเก่งกับเราด้วยโอยิ่งดีอ่ะเขาจะลากเราเดึงเราไปด้วยค่ะอยากไปบวชกับพระอาจารย์นะคะทีนี่เราจี่นี่เขาไม่รับใครมีใครให้เขารับให้อยู่ชั่วคราวเท่านั้ค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวเดยค่อยค่อยค่อยค่อยขยับค่ะพระอาจารย์แล้วก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะ อยากค่อยรีบรีบไหนชอบใจก็ามาค่อยๆงันเวลาไปวัด น, นี้ค่อยๆไปเวลาไปเที่ยวนี้เร็ๆเวๆไปแต่ <ไป S 2> ามาค่อยๆไม่ได้หรอคะแล้วเวล า, าเวลาเข้ามัดเหมือนหากินเวลาออกนอกวันน้เหมือนข่ายบินเวลาไปวัดนี้ค่อยๆเลี้ยงยากค่ะมันหาจะกินมันหาจะกิน เวลาออกจากวัดที่เหมือนไก่เบนเลยต่างกันโอเคนะกฝากอาจารย์ค่ะได้ข้อคิดเยอะเลยอ่าก็ไปกิดนะค่ะโอเคไปที่คุณหมอภาะสนาต่อคุณหมอเขาจะไปแล้วเนี่ยก็พร้อมแล้วเนี่ยสาธุค่ะพยายามค่ะพระอาจารย์ตอนนี้จิตใจอยากไปตลอดก็พยายามค่อยๆปล่อยนะพระอาจารย์ยังนั้นฝาความสงบของใจได้นะแล้วเป็นผู้ดูได้ วาใช่ค่ะเดี๋ยวคิดหน้าก็คือตอนนี้ก็ค่อยๆปล่อยไปเกือบหมดแล้วหรืออ่ะคิดหน้าเดี๋ยวปรชมก็จะเป็นผู้ดูอยู่ในเหตุการณ์แล้วตอนนี้ก็อย่างที่บอกค่ะคือรู้สึกว่าคือค่อยๆปล่อยแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะเป็นผู้ดูก็จะดูใจตัวเองว่าเป็นยังไงเพราะปกติเวลาทํางานพวกอาสาสมัยก่อนนะคะจะชอบมากเอยู่นี้ก็จะรู้สึกว่ามันเป็นสมมุติหมดเลยเสียเวลาค<ต>่ะก<ต>็คืองานทั้งโลกซึ่งงานทางทไํไม่นานค่ะเสียเวลามาก ก็แต่ว่าต้องขอให้คุณพระอาจารย์นะคะคือมันร่นองฟ้าของสงบไปได้ได้ไ ด, ไ ด, ไ ด, ได้ได้ดีเพราะว่าเราอย่างที่บอกค่ะพระอาจารย์พยายามถือดาไปตลอดดูสติไวปตลอดพระอาจารย์คะแล้วก็ส่งกันบ้านคุณพ่อคุณพ่อก็ก็นั่งสมาธิได้ครึ่งชั่วโมงนะคะอาจารย์สวดมนต์ตอนเช้าสวดมนต์นั่งเก้าอี้แล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็ทําให้ตอนลางคืนเนี่ยก็นั่งนั่งได้ค่ะออกานถ้าจิตสงบอาจจะปล่อยวางร่างกายได้ก็ได้ ออาจจะปล่อยได้บางช่วงนะคะตอนที่ช่วง<ม>ช่วงผ่าตัดอันปล่อยได้จะให้คุณพอเริ่มปฏิบัติเยอะๆพี่<ม>ดุมเองก็ก็ตั้งใจทำอย่างวันนี้ปกติวันปกติวันนี้ต้องดูลหนังเนะคะนี้ไม่ดูแล้วก็คือหนัง<ม>ที่กันชอบเรื่องอะไรหนังมันใหม่อะไรมาแต่นี้กันไม่ดูแล้วก็จะกันแก่สินไปมันถูก<ม>อาจารย์ขอบคุณครับอาจารย์เดี<ม>๋ยวค่อยๆหาช่องเวลานะคะอาจารย์ช่วงนี้แบบคือรีบๆอย่าค่อยๆอาจารย์มันสิที่ดลือกมาจบ ได้ค่ะแต่ก็ไม่ได้ปล่อยพระอาจารย์ยังทําตลอดเพราะว่าแบบเออรู้สึกแล้วอยู่บ้านจริงๆอยู่บ้านก็สงบพระอาจารย์แต่ก็เข้าใจว่าทำไมต้องไปวัดพระอาจารย์ก็คือไปวัดกลับมาก็ยังเหมือนเดิมพระอาจารย์ปฏิบัติเยอะเหมือนเดิมโอเคขอบคุณค่ะแล้วอยวค่อยนะให้รีบๆหน่อยนะใช่ไหมชอบค่อยกันที่เกินทำๆนี่ชอบค่อย โอ้ไม่รีดไคอย่างไงเลม่าจย์ก็รีดแต่ว่าไม่ถึงว่าหาช่องทางจะไปอยู่พ่ะย่ะจันใหอรีบผ่านใหรีบผ่านค่ะโอเคไปที่น้องอ้อมต่อบ่าววินชนเบรีน้องอ้อมเป็นงานจ้าที่พาคก็ยังไปไปมาแล้วค่ะเมื่อและอาทิตย์นี้ก็จะไปอีกครับไปหนึ่งคืนเอ้สองคืนค่ะพ่ะย่ะจันโอเคยังดีอ่าดีกว่าไม่ไปเลย อไปรอบนี้รู้สึกว่ากลางวันกับกลางคืนมันเหมือนกันเออไม่ต่างกันเลยใช่ค<ด>่ะไม่ต่างกันใช่ค่ะกลางคืนก็เหมือนกลางวันเลยได้แล้วก็เวลาที่แบบเออคิดคิดเรื่องผีอย่างเงี้ยก็ก็คิดว่าตัวเองน่าน่ากลัวกว่ามันเยอ ะ, อะเวลาแบบผ่า ผาร่างกายออกเพราะว่าดูหนังสือกายคตาสติด้วยอะค่ะเออก็เอ้ยเราหน้ากลัวของมันเยอะเราเป็นผีดีๆเนี่ยใช่ไหมใช่ไปกลัวผีอย่างเราไม่กลัวผีเราเราไปกลัวผีอีกหนึ่งนะค่ะตัวเองหน้ากลัวกูผีอีกแล้วก็ส่วนปัญญาก็ออัตโนมัติมากขึ้นนะพระอาจารย์แต่ก่อนแต่ก่อนตอนที่มาเรียนกับพระอาจารย์ไหนเอ๊ ทำยังไงให้ไตรักมันอัตโนมัติหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเออสองสามปีแล้วเออมันมันเด้งขึ้นมาเองนะอะไรก็ไม่เจ๊งไปหมดนะค่ะรู้เท่าทันมากขึ้นเดี๋ยววันเสาร์นี้ไปอีกโอเคสาึงค่ะไปวันดยไปที่ภูเก็ตคุณโอพี่บาทจบแล้วคุณโอ อ๋อพีเคภูก็ตทัารพระอาจารย์เจ้าค่ะอ่าว่ามาเลยได้ยินชัดเจนวนี้ไม่ไีคํำถามเจ้าคะพระอาจารย์ไมงใจครับขอบคุณพระอาจารย์ที่ตาเนี่ยจะได้ไปต่อนะเพราะมีคนรอยเยอะเลยตอนนี้พระอาจารย์ขอขอขนนะุญาตออกไปรับฟังข้างนอกต่อนะเจ้าค่ะได้ตามสบายจ้ะเจ้าค่ะขอพระอาจารย์มีท่าแข็งแรงเจ้าค่ะอ่าเชิญคุณนพวันตอนนพวันขึ้นมาข้างล่างนพวรรณนะ เคยมาแล้วมึงทำไม่ได้เปิดใบก่อนเปิดแล <Okay. S 2> ้วเปิดแล้วค่ะอ uh huh. าะะจารย์กลับนวัศการค่ะพระอาจารย์หนูเพิ่ง uh huh. มาครั้งแรกแต่ว่า uh huh. ติดตามพระอาจารย์มาตั้งแต่ปีหกสามค่ะ uh huh. วันนี้มีเรื่องมารายงานก็คือตั้งแต่ปฏิบัติมาก็คือไปที่วัดยานบ้างก็คือไม่ค่อยไม่ค่อยได้มีเวลาว่างไปอะค่ะ แล้วก็ค่อยๆพัฒนาการปฏิบัติของตัวเองไปเรื่อยๆก็มีการไปอยู่กับความมืดที่วัดป่าสุขใจอะค่ะที่เขาไม่มีไฟฟ้าเลยลองไปดูว่ามันที่บางปีนี่ใช่ไใช่ค่ะที่สมุทรปราการค่ะไปมาเมื่อสิ้นเดือนที่แล้วไปกับพี่อ้อมอะค่ะพี่อ้อมพลึดดาอะค่ะไปด้วยกันก็หนูไม่รู้ว่าอยู่วัดยานมันชินหรือเปล่าถึงไม่กลัวก็เลยลองมาวัดป่าสุขใจที่ไม่มีไฟเลย ก็พบว่าืออก็อยู่ได้ทีนี้ก็เลยพัฒนาตัวเองไปอีกก็คือหนูเป็นคนกลัวผีมากก็เลยลองไปนั่งนั่งสมาธิกับครูใหญ่ในป่าช้าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะอืมที่ไหนอ่าที่ป่าณรือชาค่ะจังหวัดสระบุรีอค่ะไปกับพี่อ้อมพฤลดาเหมือนกันค่ะในนั้นก็จะมีมีสพให้เราไปนั่งสมาธิกัน ใช่ค่ะหนูก็ก็คือตอนช่วงเช้ากับบ่ายเขาจะมีการสอบอารมณ์ก่อน<ม>ก็คือนั่งสมาธิก็คือเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงอ่าแล้วก็ช่วงบ่ายอีกอีกสองบรรลังก์ก็คือเดินเดินหนึ่ง 1, น, 1, นั่งหนึ่งเดินหนึ่งนั่งหนึ่งแบบนี้ทีนี้พอผ่านแล้วเราก็ได้จับจับมอค่ะเลือกมอหนูก็ได้อาจา ร, รย์ใหญ่สามล่างทั้งหมดแล้วทีนี้มันก็เป็น อ่าแจ็คพอตแตกที่ว่ามีอาจา ร, รย์ใหญ่ที่เขาเพิ่งเอาลงนะคะก็คือเพิ่งเพิ่งเสียชีวิตก็คือเพราะฉะนั้นก็คือกลิ่นก็จะแบบแรงมากอ่ mm hmm. ทีนี้พอถึงเวลาประมาณทุ่มทุ่มครึ่งพระท่านก็ไปส่งหนูจะได้พับไปส่งสองรูปอะ่ะทีนี้พอไปถึงปั๊บก็ก็คือจะมีโรงตั้งห่างห่างจากเราประมาณสองเมตรนะคะเราข้างซ้ายก็จะมีอีกโรงหนึ่งก็คือห่างจากเราประมาณสิบห้าเซนประมาณนั้น ก็คือให้นั่งในกรดอ่าพาท่านก็บอกว่ามีอะไรก็คือห้ามลืมตาได้ยินอะไรก็ห้ามลืมตาแล้วก็ให้อยู่กับคำบริกรรม mm hmm. อ่าแล้วก็เดี๋ยวสองชั่วโมงจะมารับคือให้เรานั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะสองชั่วโมง mm hmm. ทีนี้พอนั่งไปประมาณช่วงแรกแรกห้านาทีแรกคือจิตมันฝูงซ่านค่อนข้างจะฝูงซ่านเพราะว่าหนูเป็นคนกลัวผีอยู่แล้วแต่ว่าเราปฏิบัติมาเรื่อยๆจนรู้สึกว่าเออมันนิ่งจนไม่กลัวเท่าไหร่พอ พอช่วงแรกๆที่นั่งอะรู้สึกว่ามันกลัวมันจินตนาการไปต่างๆนานาว่าถ้าเกิดว่าเขาลุกมาจากโลงจะเป็นยังไงมีเสียงเคาะโลงจะทํำยังไงหรือว่ามีเสียงอะไรหรือว่าเขามาจับขาเรามาจับแขนเราเราจะทํายังไงหนูจะทำยังไงแล้วหนูวิ่งไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันมืดมากคือระยะทางที่เดินมาจากตรงศาลาที่มีไฟอะค่ะคือเป็นโลครึ่งอะขึ้นมาในปา่าช้าขึ้นบบนเขากลับไปไม่ได้แน่นอนยังไงก็ต้องอยู่ให้ได้สองชั่วโมงจะอยู่ได้ไหมอารมณ์ประมาณเนี้ย พอพอคิดได้อย่างนั้นประมาณไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงห้านาทีหนูก็รู้สึกว่างั้นใช้หลักสามยอแล้วกันยอมหยุดเย็นหนูก็เลยรู้สึกว่าถ้าเขามาจับจับขาหนูหนูก็จะยอมยอมไม่ทำเดินมาก็จะยอมก็เลยยอมปั๊บจิตมันก็หยุดคิดคือความคิดมันหยุดอะค่ะมันก็หยุดคิดหยุดคิดปั๊บมันก็จิตมันก็เย็นมันก็เย็นไปหมดก็คือนั่งบริกรรมแล้วมันก็ มันก็นิ่งมันก็อยู่กับคําบริกรรมมันนิ่งมากแบบนิ่งแบบไม่เคยนิ่งมาก่อนเพราะว่าด้วยเสียงที่มันมันเงียบมากค่ะข้างนอกมันเงียบสงัดวังเวงไปหมดอ่ะเงียบมืดพอมันนิ่งปั๊บก็เลยเวลามันผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่รู้ก็คือแบบไม่ได้สนใจเลยคือมันก็มีเสียงรองเท้าหนูมันล่วงอ่ะค่ะคือเราได้ยินเลยว่าเนี่ยคือเสียงรองเท้าล่วงแล้วเราก็มีเสียงคนเดินอยู่ข้างนอกแต่ว่าเรามองว่าช่างมัน อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดปล่อยไ ม, ไ ม, ไม่ไม่คือไม่ไปโฟกัสกับตรงนั้นคืออยู่ไปแค่คำบริกรรมอาจจะช้าบ้างเร็วบ้างสลับกันแต่ว่าหนูไม่หลุดจนสุดท้ายแล้วพระท่านเดินมารับแล้วก็พูดว่าษาธุเราก็คิดว่าเรานั่งไปแค่ชั่วโมงกว่าแต่จริงเรานั่งไปสองชั่วโมงแล้วค่ะเออดีมากดีมากผ่านชัยนนี้ได้เราสบายไม่หายัว เรากลิ่นกลิ่นกลิ่นคือมาตลอดคือลมโชยมาก็คือกลิ่นมาตลอดก็คือพิจารณาไปว่าแต่ไม่ได้พิจารณาเท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่ให้หลุดจากคาบริกรรมค่ะเราก็บริกรรมไปอย่างเดียวบริกรรมไปอย่างเดียวห้ามสวดมนต์ก็คือบริกรรมอย่างเดียวแล้วก็ไม่ว่าเสียงอะไรก็คือหนูไม่หนูก็ปล่อยเลยอะ่ะจะทําอะไรก็แล้วแต่อย่างมากก็แค่ตายอย่างที่พระอาจารย์บอกค่ะอืมีไม่ต้องมีมาตรการอย่างนี้มันถึงจะสง บ, บได้ ใช่ค่ะถ้าอยู่ที่บ้านนี่นั่งปัญญาวันตายก็ไม่มีวันที่จะสงบมาคือก็เลยรู้ว่าอ๋อเออสรุปว่าสติเราใช้ได้นะพระท่านก็เอ่อออกมาพาะท่านก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างอ่าหนูก็บอกว่าก็ก็ตอบไม่ถูกว่ายังไงแล้วท่านก็บอกว่าเออก็ก็กลัวอยู่นะโยมอ่ะแต่ว่าก็สมาธิดีคือหนูก็ก็ก็กลัวค่ะแต่ว่าเราเรา เราบริกรรมอย่างเดียวเถ้าสติถ้าสติไม่ดีไม่กล้าไปหรอกันที่ไม่มีสติไม่กล้าไปหรอกดูไปเดี๋ยวเป็นบ้าใช่เพราะมันใกล้มากค่ะใกล้ใกล้มากสามสามโลงทั้งหมดก็คือใกล้เราสุดสุดเลย อ, ะอ่จะจ้ะแล้วก็เงียบแล้วก็มืดแล้วคือหนูว่าได้มอได้มอที่ห่างจากชาวบ้านเขา อ, ะอ่ะคือคนอื่นเขาแยกไปทางขวาหนูแยกมาทางซ้ายเป็นคนเดียวที่ได้มอแล้วคือวันนั้นมีคนไปปฏิบัติน้อยแค่เจ็ดคน อืมก็เลยแบบอยู่ไกลชาวบ้านเขามากเลยคือแต่ก็ดีอย่างเป็นผู้หญิงมดเป็นผู้หญิงทั้งหมดไม่เป็นผู้ชายนะมีมีมีผู้ชายด้วยมั้งคะคนหนึ่งไม่แน่ใจเป็นผู้หญิงเะใช่ค่ะส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงแล้วก็มีพี่ออมพี่อ้อมก็ได้บนเขาไกลกันเลยคืออมพี่อมเขาเป็นเสียนละเขาไม่ก็ปฏิบัติมานานนะ ดีเท่านี้ค่ะพระอาจารย์ก็เอาชนะความกลัวได้ใช้สามยอใช้ได้จริงค่ะอย่างจะลองกลับไปอไหมเพื่อเพื่อยืนยันว่าเราไม่กลัวจริงๆได้ค่ะถ้าได้ค่ะถ้ากลับไปถ้ากลับไปได้ก็มีโอกาสหนูไปแน่นอนจะพยายามพัฒนาการปฏิบัติอัพเลเวลไปเรื่อยๆจ้ะต้องกลับไปยืนยันไม่ใช่ท่านเดือนวัรจะพุ่ก็ได้นะใช่ใช่ ก็ดีกดีถ้าไปแล้วไม่กลัวหรือว่าไม่ไม่วิ่งหนีก็แสดงว่าใช้ได้แล้วบางคนไปไ ป, ปร่างแป๊เดียววิ่งหนีก็มีวะสู้ไม่ไหวแล้วสะติไม่ดีอยู่ไม่ได้น่าจะมีอะค่ะน่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเขาใมีเขียนสัญญาด้วยว่าแบบถ้าเกิดอะไรขึ้นคือทางวัดไม่รับผิดชอบอะไรอย่างนี้ยค่ะดีสะแสดงความยินดีด้วยยังไ ขอบคุณมากค่ะโอเคที่นี่เขาเรียกชื่อว่าอะไรนะเผื่อคนอื่นสนใจเขาจะได้ป่าป่าป่าณลือชาค่ะจังหวัดสระ บ, บุรีอำเภอแก่งคอยป่าณลือชาเขาไม่เรียกวัดใช่เก็เรียกไม่ค่ะสถานปฏิบัติธรรมป่าณลือชาปนะ<อ>่าณลือชาเียร์าติโยมบางคนอยากจะไปหาที่เงียบเอียบ พวกที่ม่วงนอนเนี่ยปฏิทินนี่รับประกันได้ไม่หี่โไม่หลับสองชั่วโมงไม่ไม่มีหลับแล้วก็ขยันพุโทโธด้วยไปอยู่ที่นั้นต้องต้องขยันพุโทโธจริงๆถึงจะอยู่ได้ที่จกลีไม่ได้เลยกเป็นฝากตายไว้กับพุโทโธเลยเนี่ยดีใจที่เอามาเล่าให้ฟังญาณโยมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้รู้บ้างว่าเป็นยังไง โอเคพยายามปฏิบัติต่อไปนะล้วข้ามครั้นี้มาได้้วก็นี่ก็พยายามอยู่บ้านก็ปฏิบัติได้นะอันนี้ก็ปฏิบัติพยายามรักษาระดับการปฏิบัติให้มากขึ้นแล้ค่ะไม่มีอะไรจะถามใชวันนี้ไม่มีค่ะม า, มารายงานโอเคดีคะนะฮะทูต้าบ้านนี้ที่ไหนอยู่ลำลูกกาคะ่ลลปะปทุมธานีปุม โอเคแล้วก็ไปที่อุดรธานีคุณแดงค่ะ ก, การกรัศกาศระจันท ร, รไม่มีคำถามค่ะไปงั้นไปที่คุนเอนกเชียงรายการวัศการพระจานทร์ครับว่ามามีอะไรไหม วันี้ไม่มีครับพระอาจารย์เข้ามารับฟังครับพระอาจารย์ก็น้อมน้อมนําคําพระอาจารย์ไปปฏิบัติอยู่ครับคือมีสัญชิกิจอยู่ตับพระอาจารย์ครับมาฟังธรรมมาอังธรรมหลายหลายคนมันมีมีเรื่องราวให้ฟังเนี่ยใช่ครับผมดีเจะไปทำปฏิบัติต่อไปนะครับผมขอให้ท่านพระอาจารย์แข็งแรงครับผมขอคุณงพระอาจารย์ครับผมไปที่กุชนาดาต่อุชนะดา นันดาวได้ยินไหมไป่านไม่ก่อนคุณคุณทัดดาวรึเปล่าครอ่านทัน ด, ดาวอ่านผิดคุณหมอทัน ด, ดาวะค่ะพระอาจารย์ค่ะหมอดาวอ่ะค่ะที่ไม่ได้มานานมากแล้วพดีว่าพอดีว่ากวันศุกร์นี้ว่าจะไปกราบพระอาจารย์ที่วัดไม่ทราบว่าหนูจะมีโอกาสได้กราบช่วงไหนบ้างคะก็ต้องที่ศาราตอนเช้าวันสุกรอ่าตอนหลังจังหันใช่ไหมคะ ก็แล้วแต่ตั้งแต่เรากลับจากวินนบานนะก็เจอได้อ๋อแต่ว่าท่านพระอาจารย์จะไม่ได้ลงที่ศาลาฉันใช่ไหมคะต้องไปที่กุฏิไม่ที่ศาลาเนี่ยที่ศาลา อ, อ๋อที่ศาลาฉันใช่ไหมคะค่ะก็ไม่ได้มาเป็นปีแต่ก็ปฏิบัติไม่หยุดแล้วก็สภาวะธรรมต่างๆนี่หนูคิดว่าหนูไปถามพระอาจารย์ที่อีวัดดีกว่าก็ตามใจได้ค่ะเพราะว่าคําบมัน ไม่เป็นไรคะ่ะมันดึกแล้วหนูไม่กล้ารบกวนเดี๋ยวค่อยไปกะผ้ า, าจารย์ตอนวันศุกร์ก็ได้คะ่ะได้ได้ค่ะครับอ่าพรดาเชิญพรดาไม่ได้เข้ามานานนะกลับมาเยี่ยมเยียนกันนะก่อนน้สักการาค่ะพระจันทร์ยิ้ม ไ, ไปได้วยกันสนุกไหมสองคนสนุกคะ่ะ <laughs> <laughs> ดีคะ่ะพระจานทร์เป็นครั้รกเหมือนกันนะหนูก็ครั้งแรกคะ่ะนี่ แล้วเป็นยังไงสบายไหมสบายบี๋ไหมสบายสบายพาท่านถามว่ายมไม่กลัวหรออืมก็ไม่ไม่ไม่เป็นไรเลยค่ะพระอาจารย์ก็จะมีศพครูใหญ่ล้อมอยู่ก็คือเหมือนข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าอย่างี้ค่ะก็ทางออกนะครัแต่หนูจะไปอยู่บนข้างบนคนเดียวที่แบบเขาจะให้แยกกันหมดเลยค่ะก็อยู่ได้หายได้ เป็นเหมือนจะเป็นเป็นเต้นหรือเป็นสาราเล็กเล็กนี่เต้นเหมือนเพิงเขาสร้าง ข, ขึ้นมาโดยเฉพาะเลยค่ะมีที่นั่งสมาธิการกดนี่เลยมีกฎอยู่อันนึงให้แล้วก็เรานั่งค่ะทีนี้ก็ก็จะมีกลิ่นโชยมาบ้างตามลมแหละค่ะมลมพัดทางไหนก็เ <laughs> ข้ามาเราใช้อะไรใช้เป็นไฟใช้ใช้ไฟฉายใช้อะไรก็ไม่มีไม่มีเลยค่ะ เขาก็ปล่อยให้เราอยู่สองชั่วโมงอย่างนั้นอยู่กับตัวเองเทียนเท่านีรก็ไม่มีไปก็ไม่มีไม่มีค่ะจุดทูปดอกเดียวค่ะเขาให้เราจุดทูปค่ะแต่ว่าทีเนี้ยค่ะคือถ้าถ้าไปคือเขาเขาของที่เนี้ยเขาไม่ได้ใช้พุทโธค่ะหนูก็ทําตามเขาไปตามที่หนูไปค่ะออแต่ว่าเรากลับมาเราก็เหมือนเดิมแต่หมายถึงว่าอยู่ตรงนั้นก็ก็ทําตามเขาแค่นั้นค่ะ ได้เหมือกนกันทำบริกรรมอะไรก็ได้ค่ะแ ต, แต่แต่โอ้โหมีคุณภาพสุดยอดเลยสองชั่วโมงที่คุณภาพแบบจิตนิ่งสงบนั่มแน่ น, นเลยนะไม่แบบไม่ฟุ้งซ่านเลยไม่กล้าคิดอะไรเลยเฉยไปเลยแบบว่าปล่อยแบบแบบแล้วก็เหมือนอที่ตื่นเต้นไม่ได้ตื่นเต้นว่าอยู่ใกล้ครูใหญ่่ะตื่นเต้นว่าอุ้ยได้ได้มาได้มาทําได้มันรู้ว่าเออ มันเป็นยังไงนะ่าใจเราที่พระอาจารย์บอกที่เป็นบอกพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์บอกดูว่าใจมันเป็นยังไงคะ่ะ mm hmm. ก็ดูเลยมันโอเคมากค่ะ mm hmm. <laughs> ได้คะ่ะพระอาจารย์ประมาณนี้ก็ดีปกติก็ปฏิบัติเป็นอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วในชะ่ไหมตลอดเลยคะ่ะก็ไป mm hmm. ก็สลับกันนะคะกเ็เวทนาก็อยู่กับความเจ็บยังอยู่อยู่ก็ยังอยู่กับมันอยู่กับทุกข์ mm hmm. อยู่ได้เลยคะ่ะอ mm ื hmm. แล้วก็ ก็วนวนอยู่างงี้ตลอดตลอดเรื่อยๆเรือยๆให้คุณแน่ใจอช่วยความเจ็บชื่อความตายแล้วก็เหมือนเขาก็คือเราในอนาคต้ก็นอนอยู่ถ้าเขาไม่มีใครมาเผาเราเราก็เป็นอย่างเขาแล้วล่ะเขาก็คืออนาคตของเราเราก็คืออดีกของเขาใก็ได้ปรองดีค่ะพระอาจามันมันเห็นจะน่ากลัวนะความจริง พลังกายเขาร่างกายเรามันก็เหมือนกันเหมือนกันทุกอย่าง<ม>แต่แค่เขาไม่มีธาตุลมกับธาตุไฟ<ม>เขามีธาตุดินกับธาตุน้<ม>ําที่มันก็อาจจะกําลังกำลังจะแยกตัวออกจากกันใช่ก็เพราะว่าอย่างของน้องอะค่ะเขาเจอที่แบบกําลังแบบขึ้นแบบท้องค่นะแล้วพระท่านเปิดเปิดแล้วมีหนอน เปิดให้ดูด้วยนะคะแต่น้องอาจจะหนูไม่แน่ใจว่าน้องได้ดูไหมแต่ของหนูอ่ะพระไม่ได้เปิดครับอื่ะเขาก็มีแบบอย่างนี้เลยหนูก็ไม่รู้ว่าทําไมมันเป็นอย่างนั้นเลยค่ะคือหมายถึงว่าเขาไม่ได้ไม่ได้เป็นศพแห้งไม่ได้เป็นศพแห้งเป็นแบบปล่อยให้ตามเป็นไปตามเหมือนป่าช้าก้าวอย่างเงี้ยค่ะอืมค่ะเขาคงพักเอาไว้พิจารณาหวังหนูไม่ทราบเหมือนกันก็ดีนี่แหละอสุภะกรรมฐานมานะนุสตินี่ ค่ะดีค่ะเข้าใจขอบพระคุณพระอาจารย์มากเลยค่ะที่แบบขอบพระคุณพระพุทธเจ้าด้วยค่ะที่แบบอสอนเร<ด>ื<า>่องอะไรที่ไม่มีใครสอนได้นอกจากพระพุทธเจ้าเขาทำพระสงฆ์ใช่ค่ะอาจารย์ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะโอเคสวัสดีค่ะไปที่กฟาแฟไวัดนานม า, มากหรือยังกอ วันนทร์นี้เข้าวัดบ้างหรือยังยังไม่ได้เข้าเลยนะครับยังเรื่องการปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเลยครับแต่ว่าผมก็ไม่ปฏิบัติมันก็ไม่ก้าวหน้าสิผมหาอุบายอยู่เพราะว่าเพราะว่าเอาื่อกีได้ฟังพี่พี่แล้วก็ก็เคยนึกได้ว่าเหมือ น, นนั่งหมือนนั่งภานาแล้วไปเห็นตัวเองนอนนอนตานอนตายอยูครับว่าจะ การนอนตายเนี่ยมาบริการเพราะว่าตอนตื่นปกติตอนเนี้ยครับจะใช้คบ ว, วดรรัดทำโมทําโมกํากัดใจเรื่อยๆตลอดวันเลยครับอืมต้องไปวัดถ้าอยู่บ้านนี้มันไปไม่ไปไม่ไปถึงไหนละ่ะต้องไปวัดไปชาร์จแบตเตอรี่บ้างนะครับโอเคครับก็ <c oughs> แต่ว่าเวลามีปัญหาอะไรก็ ก, ก็เอา สิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาพิพจารณาครับสองวันบ้างมันก็ไม่ไม่ไมทุกข์ครับมันก็แก้ไปได้ครับแต่ว่าไม่มีสมาธิที่จะอ่า ม, มันไม่ก้าวหน้าหรอกมันก็อยู่แค่นี้อ่าอย่าให้ก้าวหน้ามันต้องไปวันนดได้ค ร, บาาารยยับอาจารย์ครับไปหาจานใหญ่ไปอยู่กลาจาย์ใหญ่หนึ่งหน้าเขียวเหมือนกันกได้ดีใจที่ได้ยินได้ฟังเรื่องเรื่องแบบนี้นี่ครับอ่า ถ้าทายดีนะอเออคยแต่เห็นอ่อนึกนิมิตอ่ะครว่าให้เตยเป็นหนอนแต่ว่าชัาแบบหรนั้อันนั้นไม่ต้องได้เตยไปดูของจริงเลยดีกว่าของจริงนี้ชัดเจนกว่าของที่เรา น, นึกเยอะแยะเยมันมันจะมีสมาธิมากครับเพราสะส ต, ติต้องดีงี้ๆอยู่ไม่ได้อ่ มันจะคิดจะหนีอย่างเดียวถ้าไม่มีสติแม <laughs> ่ต้องต้องมลองมากอานุโมทนาโอเคมีอะไรยังไไม่มีแล้วนะพอจะครับเดี๋ยวรอให้ก้าวหน้าปัญหาพอจะแก้ได้ครับเพราะว่าฟังธรรมทุกวันเป็นหลักครับก็มาแก้ไข ค, ครับโอเคถ้าทุ่ ไปดีกคุณซันนี่แบงคอกซันนี้เคยเข้ามาหรอเป่าเพิ่งเข้ามาเมื่อรอันมิวกันอยู่ด้านซ้ายมือมุอมหน้าซ้ายมื อ, มอโอเคพูดได้นะอาจารย์ำน้มาสการค่ะพระอาจารย์เคยเข้ามาแล้วค่ะพระอาจารย์ไม่ยังไงไม่อะไรมะไรมย <c oughs> อ่วันนี้อยากถามเรื่องพระโสดาบันนะคะพระอาจารย์พระโสดาบันท่านเ อ, อละวางขันท่าได้ทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะยังบางส่วนได้ได้ร่งท่านลวางร่างกายของท่านได้ไม่กลัวกล้าไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บแต่ท่านยังไปยินดีกับร่างกายของคนอื่นอยูอ่ยังยังรักร่างกายคนอื่นเห็นว่าร่างกายคนอื่นสวยงามอะไรอยู่น่ารักน่ามี ยังมีความอยากจะเสพเศพเศพกลางกับเขาอยู่อันนี้ต้องพิจารณาสุภาษิต้องเห็นซากศพเห็นร่างกายคนถึงนซากศพยองยาสามารถลนะเรื่องของร่างกายได้หมดค่ะอาจารแต่ยังไปยังละเรื่องของจิตไม่ได้จิต น, นจิตเป็นเรื่องของนามะขันนามะขันรู ป, ประขันได้แต่ยังไปติด อีกสี่รูปนะ่เนาสัญญาสังขารในจิตยอยู่อย่างละตอนนี้ไม่ได้แต่ก็คือท่านละปล่อยวางร่างกายของตัวท่านเองความเจ็บปวดของตัวท่านเองได้ใช่ไหมคะได้ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายไปหาหมอหมอบอกเป็นสมาร์ทไลย์เฉยๆไม่ถึงเต้นตกใจแต่ก็คือต้องไปฝึกละวางสิ่งอื่นต่อต่อไปใช่ไหมคะ ก็ถ้าเวลาว่างก็ยังอยากอยากจะไปเสกเสกกรรมเนี่ยยังอยากไปร่วมหลับนอนกับแฟนอยู่ค่ะพระอาจารย์เข้าใจแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะโอเค่บายดีคุณยินดีต่อยินดีเป็นสุดเดินอ่าพูดได้นะค่ะพระอาจารย์ก <c oughs> ็ยินค่ะ <c oughs> <c oughs> ลุย ม, มีคําถามค่ะท่านอาจารย์แล้วก็เดวิดก็เหมือนเดิมค่ะ okay, อบอลซองเต้ค่ะท่านอาจารย์ทุกคนจะนึกถึงท่านอาจารย์ตลอดค่ะเวลานั่นคุณนั้นนี้โอเคสาธุสาธุขอบคุณมากนะค่ะลูกขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะท่าอาจารย์ไปที่คุณมาริการ า, าที่ว่ามาริกา กับน้มัตสการเจ้าข่าพ่อพอาจารย์อมีอะไรไหมก็ตอนนี้ก็ยังมาอยู่บ้านแม่นะครับพ่ออาจารย์ตอนนี้เพราะว่านี่ก็มีความทุกข์นิดนึงเรื่องนั้นแหละเพราะว่าหลังจากที่ว่าลูกเด่นได้กลับมาจากที่ว่าในเดินภาวนานขึ้นมาแล้วนะคะก็ได้เอาคําสอนที่ที่พ่ออาจารย์เคยสั่งสอนแล้วก็คฟังทำมานั้นก็คือมาอธิบายให้แม่ แม่ก็เข้าใจมากขึ้นในเรื่องของสัจธรรมความไม่เที่ยงแท้ของความทุกข์ที่เกิดขึ้นนะเจ้าค่ะแต่ว่าวันนี้รู้ว่าสงสัยว่าแม่นั้นมีแต่ลูกผู้หญิงไม่มีลูกผู้ชายเลยเขาบอกว่าถ้าผู้ชายนั้นสามารถบวชเป็นพระได้นะพระอาจารยแล้วสามารถช่วยพ่อแม่ได้ไม่ให้ตกนรกอมฤติแล้วผู้หญิงแค่ก็จะผู้หญิงก็ช่วยได้ผู้หญิงก็บวชได้ผู้หญิงก็บวชชีได้บวชถือสิงแสได้ถือสิงแสก็ถือว่าบวชแล้ว คือสิ่งแปดนี่คุณแล้วเหรอคะอพระอาจารย์อ่าก็สิ่งนั่งบวชก็อยู่ที่สี่งแปดเนี่ยไม่เสพรูปเสียงกินวรสไม่เสพกลามอืมค่ะพอนนี้ก็ลูกก็ถือสิ่งแปดอยู่อ่าก็ถือว่าบวชแล้วถ้าถือสิ่งแปดก็ถือเป็นนั่งบวชแล้วค่ะอาจารย์ก็สอนแม่ได้ก็สอนแม่ได้นะถ้ามีธรรมะก็สอนแม่ได้นะค่ะพระอาจารย์เมื่อกี้นี่ก็แม่ก็นั่งนั่งฟังอยู่แป๊บหนึ่งแต่ว่าแม่นั้น ก็ประมาณทักทุ่มสองทุ so ่ทักทุ่ม so ก็สองทุ่มก็ม so mm ีเ hmm. ร mm ื hmm. mm ่องเข้าหนอนแล้วแม่ก็นอนไปแล้วค่ะก็เร็วๆแม่ก็ได้ฟังไปแล้วค่ะพ่อจ่าเนี่ยนะทุกเรื่องน้องเพราะว่าน้องก็ทุกมากมากก็หมายถึงว่าเงินที่เก็บมาก็จะตกเป็นของน้องหมดอะไรประมาณนั้นน่ะค่ะนี่แหละคือก็เรื่องของแม่ไปแม่ม่รู้จักปล่อยวางก็ทุกถ้าปล่อยวางก็จะไม่ทุก S <S ต้องบอกคุณแม่ให้ปล่อยวางให้มากที่สุดใช่ไหมอาจารย์ก็แล้วแต่ว่าคุณแม่จะปล่อยหรือไม่ปล่อยนะแต่คุณแม่เคยคุณแม่บอกว่าแม่สละแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแต่า<ะ>ก็แม่ก็ต้องไม่ทุกประับสิ่งทีสละนะแต่แต่ก็แม่ก็บอกว่าแม่ก็ยังห่วงลูกคนเป็นลูกก็ยังเป็นห่วงก็ต้องสละลูกนะต้องสละลูกใช่ <S <S ไหมอาจารย์ในจุดนี้อ่าเนี่ยมงช่างวันนี้ก็ต้องตายเหมือนเรา ให้ไปทำบุญอย่าโอเคนะพ้าค่ะอาจารย์อ่าใดที่คุณตายพัทีอาร์ยังคุณตายเป็นไงตอนนี้ไม่ต้องตื่นเช้าแล้วสบายไม่นอนตื่นสายได้ก็สบายค่ะอาจารย์เพราะว่าก็เหมือนขาดอะไรไปนั่นนะค่ะแต่หนูก็คิดว่าการทำบุญ อที่หยอดกระปุกแล้วไปอ่ทาทำบุญกับพระอาจารย์เนะี่ยก็รู้สึกว่าก็ดีพระอาจารย์จะได้เอาไปใช้ประโยชน์ในหลายๆเรื่องที่พระอาจารย์ยังต้องดูแลนักเรียนอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะที่ทร<ม>าบมานะคะเราคิดว่าเป็นประโยชน์มากกว่าก็าดีก็ดีแล้วแต่สะดวกทําแบบไหนก็ไนดะ้ให้เราสาระของที่เรามีไปนั่นจะทําโดยวิธีใดก็ไนดะ้ที่มันเหมาะกับเราเค่ะพระอาจารย์แล้วเมื่อกี้ นูก็ที่จริงหนูว่ามีคำถามเยอะๆอะลยอยู่ในหัวแต่พอฟังน้องเขาเราเรื่องว่าไปนั่งกับอาจารย์ใหญ่อาจารย์ก็ใจหนูนะยังเต้นไม่ยังแบบใส่มันรู้แบบนี้เลยค่ะพระอาจารย์ถ้าไปฟังอย่างนี้ถ้าไปเจอของจริงอ่ะก็ค่ะพ้ะอาจารย์หนูแบบโหน้องหนูก็จินตนาการกับน้องก็ไปแต่ จินตนาการน้องก็ยังพูดโถใช่ไหมคะแต่หนูจินตนาการว่าหนูจะฉุยยังไงแล้วก็จะเป็นลมจะขาบ้าจะวิ่หนีแล้วก็ลืมปัญหาในสมองหนูไปหมดเลยค่ะอาจารย์ว่าหนูจะถามอะไรพ่อจามั้งือรู้สึกว่ากลัวกลัวมากๆเลยอาจารย์อย่างนี้มมีสิทธิ์จนบ้านะคะอาจารย์เพราะถ้าอย่างนี้ไปไม่ได้่ถ้าเป็นอย่างนี้ไปไม่ได้ ถ้าไม่ได้มองอาจารย์ใหญ่ว่าเขากับเราร่างกายเหมือนกันเนี่ยถ้าไม่รามองอย่างนี้ยังไปไม่ได้นะใจเราเต้นพี่ว่าร่างกายเขาก็ล่างกายเราก็เหมือนกันถ้าเรากลัวร่างกายเขาเราก็ต้องมากลัวร่างกายเราสิใช่ไหมถ้าเราไม่กลัวร่างกายเราไปกลัวร่างกายเขาทาไมแล้วอย่างนี้เราจะค่อยๆสอนตัวเราอย่างไรครับอาจารย์ไหมก็สอนบ่อยๆเขาคิดบ่อยๆ ยังเต้นไม่หายนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าถ้าเราแบบว่าตัดสินใจชิบแล้วไปเนะี่ยแล้วลองดูเลยโอกาสเราเป็นบ้ามีไหมคะอาจารย์ก็แล้วแต่เราไปได้ปะ่ะถ้าไปได้ก็มันเป็นบ้าถ้าไม่ไปไม่ได้มันจะเป็นบ้าอ้าวเหคะไม่เป็น<ม>บ้าหรอกจะได้เป็นผ้าละหานันใช่ไหมจะได้เป็นบรรลุมาผลในพานได้ในพานอยู่ภาคตายถ้าไม่เห็นความตายแล้วมันจะไป มันมันจะรักตัวกลัวตายพอเห้ความตายแล้วมันก็จะไม่กลัวตายนะ้ต่อไปแต่หนูรู้สึกขอบคุณน้องเขามากเลยเพราะว่าแค่น้องเขาเล่าก็รู้สึกว่าโอ้ข้อนี้ตัวเองไม่ผ่านแน่นอนคือกติดแบบสอบตกแบบตกชนิดที่ว่าคุกสูนเลยครับอาจารย์คือจะไปก็ต้องต้องจะไปก็ต้องพร้อมก่อนเราก็ต้องรู้ตัวเราก่อนเราต้องรู้กําลังของเราก่อนไม่ใช่จู่ๆ จ, จะไปเลยไม่ได้หรอกใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนี้ก็ต้องทดสอบกับตัวเองบ่อยๆว่าเออต้องให้นึกถึงอตุภะใช่ไหมคะอ่านึกบ่อยๆพิจารณาสรางศพบ่อยๆว่าร่างกายเราร่างกายใครก็ต้องเป็นสร้างศพเป็นอาจารย์ใหญ่ขึ้นมาทุกคนเ <c oughs> จ้าค่ะว่าฉันวันนี้ก็รื้อกำลังตัวเองไปหมดแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วครับดีเอาแต่รับจีบจใจ ห, หมดเลยเจ้าข้าอ่า ไม่เป็นไรไนจุดการน่าก็ <ทำ S 2> ถามใหม่ก็ได้เดี๋ยวนะใกล้จะหมดแล้วมาที่คุยคำชี้ให้สองนาทีคุยกคำชี้ได้ไหมกราบนะมาสการครับพระอาจารย์อมีอะไรไหมก็มีครับตอนแรกว่าจะเข้ามากราบพระอาจารย์แล้วก็จะนอนเพราะเหนื่อยล้าจากการทํางานครับพระอาจารย์แต่พอมานั่งฟังพระอาจารย์ หลายๆท่านที่พูดมาก็มีนี่นะครับปัดป่าือชาสาวรวุลีทำให้ไม่ไม่ไม่อยากนอนเลยครับเพราะว่าเพราะว่าผมผมอยู่ที่บ้านก็เป็นคนกลัวอยู่แล้วครับ <c oughs> เป็นคนกลัวแล้วก็ค่อยๆมาหาฟังพระอาจารย์นี่สองสามปีมานี่ก็แต่คงยังไม่กล้าไปปฏิบัติเหมือนที่เ <c oughs> <c oughs> นที่เขา พูดมานะครับตีกันไปนั่งกับป้าอาจารย์ใหญ่นะครับสติเรายังมีกำลังน้อย <c oughs> พอไปฟังพ้าอาจารย์มา ต, ตอนแรกก็จะหลับร้อนเหนื่อยล้าพอฟังพอฟังไปฟังมาหลายๆายเรื่องก็รู้สึกมีกำลังครับแล้วก็มีกำลังใจทำงานสู้งานต่อครับอาจารย์เคืนี้จะไม่นอนเลยก็ได้นะ <laughs> ก็กราบขอบคุณครับหลายท่านที่พูดผ่านมาแล้วก็กราบขอบคุณพระอาจารย์ครับที่ผมรู้จักกับพระอาจารย์โดยไปถวายพระไต่พระอาจารย์ครั้งเดียวแล้วก็ผมก็ฟังยูทู e มาเรื่อยๆจนถึงุวันนี้ครับที่ได้เข้ามากลาบพระอาจารย์ครับขอให้พระอาจารย์ทาดขันแข็งแรงนะครับผมก็คำถามของไย่นี เลือโ okay. อเคได้ในเวลาเกินนี้เวลาก็ <c oughs> าใกล้จะหมดแนละ้วเอาอันนี้ก่อนกันแล้วกันนะครับครับเจ้าครับทุกอาจารย์ไม่ได้กดปางว่ า, า, ว า, าอะไรเชิญ<น>กลับนมาสการก็ค่เหมือนเหมือนกันกับพี่ต่ายเจ้าคะ่ะอืย่างบ้านยากค่ะยาแรงเพราะว่าตอนแรกหนูจะบอกครัอาจารย์ว่าพอหนูไปใส่บารพระจาังเสร็จปุกบมาหนูไปออฟฟิศเร็ว เราเขาหลายๆคนเขาบอกว่าออฟฟิศหนูมันมีอะไรนะหนูก็ไปถึงออฟฟิศปุ๊บหนูกปิดไฟปิดแอร์ไม่เปิดนะคะแล้วก็ปิดไฟนั่งสมาธิมืดๆแบบนั้นนะคะ mm hmm. แล้วก็แบบไม่เจออะไรพอ ม, มาเจอเคสคุณคุณพระฤดานี้บอกเราอนุบาลจิง <Yeah. S 2> <laughs> ก็เดี๋ยวรอต้องรีบๆค่ะต้องรีบๆเพื่อ mm hmm. ที่จะลองไปทาแบบนั้นค่ะ <laughs> อยา่กจะลองดูเลย หนักลองแต่ว่าอหนูไม่รู้นะหนูมันนั่งไม่รู้ว่าคือถ้าเราเราหลับตาเราไม่เห็นอะไรนะคะแต่ว่าเรื่องกลิ่นนะคะหนูว่ามันจะรบอกวนกันนั่งหนูก็เลยว่าจะถามท่ากันว่าถ้าเราเจอกลิ่นแรงๆเหมือนที่คิดเป็นน้ําหอมว้แล้วกันก็กลิ่นน้ําหอมชนิดหนึ่งที่คนไม่นิยมซื้อกันเท่าไหร่แลก็เป็นกลิ่นหอมเหมือนกันกลิ่นหอมอีกแบบหนึ่ง เดี๋ยวอาจจะใช้เป็นวิธีไปนั่งในสุขสารที่วัดก่อนอะไรเงี้ยนะคระเอาง่ายงก่อนค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์อ๋อเดมันก็ไม่ต่างจากเอกินอุจจาระเท่าไหร่หรอกมั้เนี่ยอ๋อใช่ใช่อุจจาระของเราก็มีแล้วก็ลองอุจจาระของเราไปก่อนก็ได้ป้อนไปก่อนน้ำไปก่อนก็ได้ค่ะไดค่ะขอบพระคุณจะคะโอเคคุณหมอนัตวุฒิเจน ว้ารับนมัสกานพระอาจารย์ครับเข้ามาฟังถามไม่มีคําถามครับไม่มีอะไรน ะ, ระโอเคองั้นเดี๋ยวไปที่ท่านตอบไปเลยนะคุณจิ๊บเข้ามาแล้วเลยจิ๊บรอนานไหมวันนี้เกือบสองชั่วโมงครึ่งแล้วแก้รับนวมสกันกรพระอาจารย์ไม่เป็นไรค่ะโยมก็ขออภัยด้วยเจ้าค่ะเพราะว่าโยมวันนี้ยุ่งมากเดินไปเดินมาเพราะว่าออฟฟิศเขาจะรีโนเวทนะคะ่ะเราต้องเก็บของเคลียร์ของทั้งหมดเลย ก็เลยแบบบางทีก็แวบมืดจอดําจังนลย้องขออภัยเลยค่ะแล้วก็ก็วันนี้ไม่มีคําถามค่ะแต่ก็มานั่งเรยกว่าเหมือนน้องนี่เขาไปนั่งกับอาจารย์ใหญ่ใช่ไหมคะยมเขาเนี่ยเออถ้าเราไปนั่งที่สุสานแถวบ้านเราเออแล้วเราจะถ้าเกิดมาหลอกเราเราเป็นภาษาอังกฤษทกันเลก็เราพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็คุยเข้าไปเลยแมล้วแล้วอเมริกาก็มีหลายเชื้อชาติด้วยยมก็แบบเออถ้าเขามาภาษาอื่น แลยมจะจินตนาการอะไรเนี่ย <c oughs> นั่งตามกับน้องเขาไปเลยเนี่ยบอกว่มไฟงไหวๆอะไรขนาดแค่แค่เหมือนกับว่าแมลงบินหรือเห็นเงาตัวเองตอนนั้นย็คือยมกลับบ้านเห็นเงาตัวเองเดินตอนดึกๆเห็น <c> เ <oughs> งาตัวเในประตูยังไม่สะดวงเครื่องเลยยังไม่สง <c oughs> สัย<ญ>ค<ส><ญ>งไม่รอดแล้วค่ะสูขสานคงไม่ได้แน่นอนเล <c oughs> ่าววันนี้ไม่มีอะไรกับพระาอาจารย์เราจะน่านแข็งแรงค่ะสวัสดค่ะกัปตันุค่ะ อคุณจาต่อตาพอาล่นั้ <c oughs> นมัสการค่ะพระอาจารย์ <c oughs> อ่ะวันนี้หนูมาขออุบายเพิ่มความเพียรค่ะพระอาจารย์คือหนูอะรู้สึกว่าที่ผ่านมาเวลาที่หนูสามารถนั่งสมาธิได้อ่ะมันเป็นเพราะว่าหนูมีความทุกข์มันก็เลยความทุกข์เป็นแรงจูงใจให้อยากนั่งทีนี้ช่วงเนี้ยหนูไม่ได้มีความทุกข์อะไรอะค่ะแล้วมันก็เลยเหมือนแบบ หนูก็พยายามจะลองอุบายที่ว่าเออตั้งให้มันเป็นเวลาเหมือนเวลาเรากินข้าวในแต่ละวันอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายมันก็เหมือนแบบสัจจะที่มีให้ตัวเองมันก็ไม่มีความเพียรพยายามที่จะนั่งก็ไม่มีหนูก็แบบอยากรู้สึกอยากทํางานมากกว่าก็ไปทําทํางานตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นึกถึงความตายบ่อยๆว่าเราอาจจะตายได้เมื่อไหร่อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาได้เมื่อไหร่ เราจะได้อไม่อยาประมาทเราจะได้รีบรีบปฏิบัติเพื่อเวลาที่เราเจ็บเราตายเราจะได้ไม่ทุกข์กับมันนะให้มองว่าเวลาไม่มีอะไรแน่นอนพรุ่งนี้อาจจะไม่มีทำลำเราก็ได้ถ้าเราไม่รีบตักตูงนัดแต่วันนี้พรุ่งนี้อาจจะไม่มีให้เราเวลาให้เราตักตูงก็ได้นำขึ้นให้รีบตักโบราณนั้นว่า นี่ทำงานที่เราจำเป็นจะต้องทำท้หยมันเสร็จเสร็จเนยจะได้สบายได้ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปใช้ได้ไหมพรอจะใช้ได้ไหมคิดถึงความตายเดี๋ยวหนงจะลองดูค่ะเพรา ะ, ะว่าก็ปกติไม่ค่อยไม่ค่อยได้นึกถึงความตายเท่าไหร่ในแต่ละวัน นั่นคืบ่อยๆคูเจะบอกให้แล้วเลิป็นประจําอย่างที่เด็กสองคนเข้ามาท่องให้ฟังเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาต้อาตืต่นใจสอนใจเรื่องมันจะได้ไม่ลืมพอไม่ลืมแล้วมันก็จะได้มีความขยันที่จะรีบทำท ำ, ทำความดีปฏิบัติธรรมหนูบรู้สึกว่าตัวเองเป็นแบบโดยพื้นฐานหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนไม่กลัวผีไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาที่ มีความเจ็บปวดจะเป็นเป็นแบบไม่สบายขึ้นมาหนูก็ไม่ได้รู้สึกทุกข์ทรมานก็เลยเหมือนประมาทไปค่ะว่าเรื่องเรื่องพิจารณาความตายว่าหนูไม่เคยพิจารณาแต่แบบอย่างเมื่อคืนหนูก็คือช่วงนี้ด้วยความที่นั่งสมาธิแล้วมันไม่ค่อยสงบหนูก็เลยเปลี่ยนเป็นสวดมนต์แล้วก็เมื่อคืนนี้เลือกที่จะสวดคาถาชินะบัญชรจะตั้งใจไว้ว่าจะสวดเก้าจบเสร็จแล้วประมาณประมาณสวดรอบที่หกอย่างเงี้ยค่ะมันก็ อยู่หนูก็เป็นความรู้สึกเหมือนจิตหลอนขึ้นมาเองว่ารู้สึกเหมือนมีคนมานั่งอยู่ตรงข้างหน้าแล้วเราก็คิดไปว่าแบบเออถ้าเกิดเราลืมตาขึ้นมาแล้วเราเจอว่ามีใครนั่งจริงจะเป็นยังไงแล้วหนูก็มันก็เป็นแบบเหมือนเป็นความคิดผุดขึ้นมาเพราะหนูจําได้ว่าหนูเคยบอกพระอาจารย์ไปครั้งหนึ่งว่าหนูเป็นคนไม่กลัวผีแล้วนูก็หนึ่งในใจว่าอ้าวโกหกหรือเปล่าถ้าไม่กลัวทําไมต้องแอบรู้สึกแบบ จิตหวั่นหวั่นเบาเบมีใครมานั่งจ้องเราหรือเปล่าอะไรอย่างเง<ม>ี้ยแล้วก็เมื่อกี้ที่น้องเขาไปเราเรื่องวัดน่ะเรื่องไปนั่งกับอาจารย์ใหญ่หนูก็แบบจินตนาการเหมือนกันน่ะค่ะแล้วหนูก็แบบเออนั่นสิแล้วถ้าเป็นแบบขนาดเมื่อคืนเนี้ยแค่แบบนั่งอยู่ในห้องนอนตัวเองเี่ยแล้วก็จินตนาการว่ามีคนมานั่งจ้องเรายังวูบๆเลยเนาะแล้วเราไปนั่งหน้าอาจารย์ใหญ่จะเป็นยังไงหรือว่าจริงๆแล้วเรากลัวผีแล้วเราแบบหลอกตัวเองว่าเราไม่กลัวอะไรอย่างเงี้ย ไปที่ศูนยดูได้รู้จริงว่ากวทานก็ว่าเนี่ยเนี่ยหนูใกล้จะกลับไทยละเดือนหน้าหนู <c oughs> ว่าเดี๋ยวจะเป็นกูกเกิลดูว่าแบบทำยังไงถึงจะได้ไปอะไรอย่างเงี้ยเอาดูนะจะได้หสาหสงสัยจะได้าหาสงสัยค่ะสาธุขอบคุณครับอาจารย์และขอบคุณน้องด้วยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์เรื่องนี้ที่เราค่ะคุณจอยคนสุดท้ายจอยพัทยากล่าวค่ะไมนไม่มีอะไรค่ะ เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวไปใส่บาตค่ะโอเคครับ่ะไปที่คุณจุบมีคําถามไหมคุณจุบมีสองคำถามค่ะพระอาจารย์คะคําถามที่หนึ่งจากคุณเข่งธีรภูมิค่ะผมเจอตัวรู้เหมือนลอยอยู่ไม่มีกายไม่มีเสียงจากภายนอกไม่มีความคิดนิ่งสงบแต่ผมไม่เจอแสงสว่างหรือปิติสุขเหมือนที่เคยได้ยินคนอื่นพูดกันครับคือทุกคนจําเป็นต้องเจอแสงสว่างหรือปิติสุขตอนจิตโลไหมครับ อ๋ไม่จำเป็นอ่ะบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีไม่สำคัญข้อสำคัญก็ขอให้สงบนิ่งเย็นสบายคำถามที่สองจะขุดเข่งค่ะต่อมาผมนำวิธีการเดิมมาใช้อีกคราวนี้จิตไม่รวมครับผมควรพยายามทำแบบเดิมต่อไปตามที่เคยทำแล้วจิตรวมหรือควรทำอย่างไรต่อครับกลับกับพระคุณครับก็ทำแบบเดิมแะเพียงแต่ว่าเวลาทำอย่าไปอยากให้มันรวมก็แล้วกันอย่าไปคิดถึง การที่มันเคยรวมมาแล้วในอดีตให้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่กับวิธีการปฏิบัติของเราถ้าเราดูลมก็ดูลมไปพุโทโธก็พุโทโธไปอย่าไปอย่าไปคาดชะนัยอย่าไปหวังอย่าไปอยากว่าให้มันต้องรวมอย่าให้มันสงบให้อยู่กับพุโทโธไปอยู่กับลมไปเพียงอย่างเดียวโอเคไหมคะโนะอเคก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา